ยลานพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามาเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาเช่นเคยผู้ที่มาเข้าคิวคนแรกก็คือเด็กชายพีเคตอบ น, น, นะมาสกอรบพอจาร์เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ ถ้ามีเพื่อนแกลงเราเราต้องแกลับไหมคะพ่อจย์ไม่เราไม่แกลับเราต้องไปกอดเขาบอกขอบใจเขาที่มามาแกลงเราเราจะได้มีเพื่อนใหม่อีกบอกว่าจะเป็นเพื่อนกับเราไหมเข้าใจไหมโอจะไม่แล้วครับเราทำดูเสร็จถ้าเข้ามาแกลงเราวิ่งไปกอดเขาเลยบอกโอ้ดีใจเหลือเกินอันนี้ที่เพื่อนมาแกลงผม แสดเพื่อนรักผมชอบผมใช่ไหมทางว่าดึงทำได้ไหมไม่รู้อจารย์ลองทำดูสิแนละ้วเขาจะเขาจะเขาจะรักเราอเชอบเราขึ้นมาทันทีแนละ้วมถ้าเราไปตี เ, เข้าไปแกล้งเขาขับเขาเขาเขาก็โกรธเราสิใช่ไหมพระเจ้าจบอกว่าต้องใช้ความเมตตาเมนไม่ระงับด้วย ก, การจองเวร เขาแกงเ ร, เราอย่าไปแก้งเขากับเราต้องให้ความเมตตากับเขาเราต้องไปโอบกอดเขาแสดงความรักให้เขาเขาเข้าใจไหมอย่างตอนนี้ทำไมแม่กอดกันกอด ก, กันหนูดีไมดีกับทเลาะกันหรือเป่าถ้าแม่แก้งหนูหนูชอบแม่ก็ดูมองแนมะ่พี่นการยิ่งขึนะอย่างที่แม่ก่อนหนูเนี่ยทําไมแม่ถึงก่อนหนูล่ะ พ่อม่รักหนูใช่ไหมแล้วหนูรู้สึกไงคนรักหนูหนูก็มีความสุขใช่ไหมหนูก็ไปกอดเขาสิให้ความสุขกับเขาแล้วเขาก็จะรักหนูเองได้ไหมครับอืมยังไม่รู้ครับอ่ <laughs> นี่แนะคําสอนของพระพุทธเจ้านะมันไม่ใช่เป็นคําสอนของคนมีกิเลสเนะี่ยคนมีตีเลสก็ ฟันต่อฟันตาต่อตาใช่ไหมอืมคำสอนพระเจ้าบอกว่าต้องให้อภัยเขาให้ความเมตตากับเขานะถ้ากอดเขาไม่ได้อย่างนั้นก็เฉยๆไปอย่าให้ให้อภัยเขายกทัษให้เขาไปได้ไหมอืมมาหลายทีแล้วอะเขาพอใจอ่าไม่คิดว่ากี่ทีถ้าถ้าเราทำได้ไมันก็ทําได้สิบทีแล้วก็ทําได้ถ้าเราทำทีเดียวได้สิบทีแล้วก็ทําได้ แล้วรับประกันได้ว่าเดี๋ยวเขาจะเขาจะต้องมาขอขอโทษตัวเองเดี๋ยพระพระพุทจ้าถูกพระเทวทัตพยายามฆ่าถึงสามครั้งด้วยกันนะพระเจ้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยอยันที่สุดพระเทวทาก็ต้องมาขอโทษพระพุทธเจ้าเนี่นมยมีตัวอย่างดีๆให้ดูกับไม่ชอบก็ไม่ชอบดูกันชอบตัวอย่างที่ไม่ดีมามาใช้กันโลกก็เลยเกิดสงคารามมันขึ้นมา เกิดการฆ่าฟันกันขึ้นมานะถ้าเราอยากจะเป็นคนคนเสริลคนดีเราต้องรู้จักให้อภัยนะเราต้องไม่ตอบโต้คนที่เขาร้ายกับเรานะเราอยู่เฉยๆไปได้ไหมครับได้ขอพรนะเจ้อ ยังไตั้งใจะใ ห, ให้ให้จะตั้งตั้งตั้งใจจะให้ตอบว่ายัางไงแก้เขากลับใช่ไมแล้ยังไ ง, อ, ง, ไงอย่าให้นุตาตอบว่างไงเมื่อกี้ที่ถามว่าถ้าเพื่อนแก้ผมผมจะทำยังไงก็ยังไม่รู้อ่าพี่จ่มอย่างนี่ม่าอาจาจะตอบว่าไงไม่รู้อ่าตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมทาตามได้หร ได้ไหมครับได้เหรอครับอ๋ออหนูทําได้หนูเป็นคนเก่งนะแพนเป็นพระชนะเป็นมารู้ไหมลูกอยากคำนี้ไหมหนูอยากจะเป็นพระหรืออยากจะเป็นมารอยากเป็นออมารก็คือมอนสเตอร์ลูกอยากเป็นอะไรอยากเป็นเอ็นเจลหรืออยากจะเป็นมารอยากจะเป็นมอนสเตอร์ คนดีขอพ่อเชิญอ่ะคนดีต้องไม่ทําร้ายผู้อื่นนะเขาทําร้ายเราเป็นเรื่องของเขาแะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําร้ายเขาเท่าไรถ้าเราอยากจะเป็นคนดีแถ้าเราไม่อยากจะเป็นคนดีเราก็กไปทําร้ายเขาได้แล้วเรา ก, กลายเป็นคนไม่ดีเหมือนเขา okay, ใช่ไหมขอบคุณ <okay. S 1> <Okay. S 2> พ่อเชิญตกลง โนูนูนูนวันนี้หนูสอนเพราะว่าเหมือนเราโดนหมากัดนละลูกเราจะไปกัดหมาตอบไหมเขาบอกว่าอ๋อหนูไม่กัดลองหนูเตะ ม, มันช่วยตอนหนูก็บอ๋อหนูไม่กัดหรอกเพราะไม่มีแมงวันตอมันนึกว่าเข้าใจอ๋อไม่หนูจะเตะมันค่ะ โอเคไหมคะมีอะไรจะถามเพิ่มไหมคะ ม, มางั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปกอดเขาดูดีไหมยังไม่รู้อ๋อยังไม่รู้หรอค ะ, อะโอเคเอาอขนมแม่เขาก็ได้ไดไมีขนมมาฝาพกพรุ่งนี้เอาขนมมาฝากเขาหน่อยลองดูงไหมคะเอาอืมอโอเคปทิ้ง เ, เ, <laughs> เขาจะดีใจไหมเองดูไปทิงที่ไหอ่าโอเค มีอะไรไหมไม่มีครับพระอาจารย์ครับก่อนนะมาสักก้อนก็พอใจเดี๋ยวก่อนเดวก่นค่ะหนูไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์มากับพระอาจารย์ของพลังค่ะพอใจครตัตอบไหม <laughs> พอใจค่ะเพราะว่าพอพอต่อมาเมื่อตอนเย็นที่บอกว่าหนูจะเตะมานี่หนูว่าโอ๊ยเดี๋ยวให้ถามพระอาจารย์เลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นอืมค่ะ โอเคค่ะครับขอบพระคุณครับพระอาจารย์ต้งแผ่เมตตานาะแผ่เมตตาด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดนะการสวดนี่ไม่ได้แผ่เมตตาเป็นการฝึกสติเป็นการฝึกสมาธิค่ะเป็นการทดสอบเป็นการเป็นการทบทวนว่าเราต้องทําความเมตตาอย่างไรเป็นการเรียนรู้และไม่ได้เป็นการแผ่ค่ะการแผ่ต้องแผ่กับคนที่ก็ ที่เราเจอกันเจอกับใครเราก็แผ่เมตตาเขาได้เลยยิ้มให้เขานี่ก็แผ่เมตตาะอืการไม่โกรกกันไม่ตอบอจสนองเขาแบบที่เขาทําเราก็เป็นกันไม่โกหกค่ะก็แผ่เมตตาแล้วค่ะพระจอมไม่ใช่มานั่งสวยคนเดียวแล้วแผ่เมตตามาให้สัตว์ทั้งปวงเหมือนเหมือนที่เหมือนที่สวัยกันที่บอกว่าโอ้คนนี้มีปัญหากับคนนี้หรือว่า เ อ, อมีความทุกข์ใจให้แผ่เมตตาไปเขาจะได้เบาลงนี่คือไ ม, ไม่ไม่ใช่นะก็ต้องไปหาเขาเสร็ไปเจอเขาแล้วก็เอาขนมแม่เขาเนี่ยแผ่เมตตาถามอาจารย์มันทันนิแปลกนะศ<า>ึกษามันต้องเยอะแยะแต่คิดว่าการแผ่เมตตาคือการสวดกันทั้งมันถามใครก็เนี่ยแผ่เมตตาไหว้พระสวมนต์เสร็จแล้วต้องแผ่เมตตาให้สัสรพสัตถ์ทั้งทั้งปวง มั น, น, นแผ่ตรงไหนเนละเอาอะไรไปแผ่ให้เขาเลยนั่งอยู่เฉยๆส่งกระแสจิตไปเหมือนกับเป็นสถานีวทิทยุ ก, กระจายเสียงค่ะอ๋ะอต้องทำให้มันเกิดการกระทำขึ้นมาใช่มันต้างเกิดง่ายททำแล้วเกิดผลกับผู้รับใช่ไหมค่ะเราถึงี้รู้ว่าเรามีความเมตตาเขาค่ะการวางเฉยอุเบกขาก็เป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึ่ง อ, อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการ เป็นการระ ง, งับการการการตอบโต้ uh huh. ยอมหยุดเย็น uh huh. ไม่ใช่เมตตาใช่ไหมคะไม่ใช่เมตตาแต่แต่ไม่ทำร้ายเขาเราเราเฉยวางเฉยเขาจะด่าเขาไปก็ด่าเราไป uh huh. ถ้าแม้แต่แมว่าเราอยู่ในฐานะที่สามารถทำอะไรได้อย่างเช่นเจ้านายลูกน้องที่ เจอลูกน้องปฏิบัติไม่ดีแล้วเราสามารถอยู่ในจุดที่สามารถให้คุณให้โทษกับเข้าได้แต่การที่เราวางเฉยไม่ไปอะทำภพค่ะเราก็อาจจะตกงานได้ไม่ทํ <c oughs> าตามหน้าที่อเอาอ๋อค่ะแต่ถ้าเราอยากจะวางเฉ ย, ยก็ได้แต่เราก็ต้องยอมรับผลกระทบที่จะตามมาอ <c oughs> ได้เกิดค่ะเ <c oughs> จ้านายเราเข้าว่าเราทํางานไม่ได้ไปไม่ได้เรื่อง ก็คุณลูกน้องไม่ได้เขาก็เปลี่ยนเราไปหางานใหม่ไปทำที่ใหม่ค่ะพระอาจารย์จะนำไปปฏิบัติค่ะอ่าขอบคุณค่ะพระอาจารย์ให้ทัดแขันแข่งแรงนะเจ้าค่ะค่ะอ่าต่อไปจะแม่กับเจ้าที่เคยทะเลาะกันมาตลอดวิญญานี่ยน้อมน้อมสักการพระอาจารย์ครับ Lot ตลอครับตลอดได้ไงม า, มาปฏิบัติธรรมต้องหลายปีแล้วเนี่ยครับ <c oughs> ยังไม่แผ่ไม่ตาไม่เป็นเนาะใช่ไปแผ่ตอนสวยกันนะสะโพกจับาตาฮะครับ <c oughs> <c oughs> นะ่ะต้องแผลเนี่ยยิ้มให้กันให้อภัยกันนะอย่าทำร้ายกันอนย่า แ, แผลไม่ตาค <c oughs> รับพอใจมั <c oughs> <c oughs> <า>้ยครับโอเคมีอะไรไหม ครับมาส่งกันบ้านครับทีี่นั่งสมาธิได้งานได้เท่าไหร่ก็เสิบนาทีครับแต่เพิ่งกลับมานั่งอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์ที่แล้วป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ครับก็เลยไอก็เลยไม่ได้นั่งกันครับแม่ไ้นอาทิตย์เลยครับแล้วราเจี้เหมือนกันนะป่วยเหมือนอกันครับป่วยด้วยกันจะมัดเป็นก่อนนะคะใข้หวัดใหญ่ A B แล้วก็ติดหนู A B แล้ะเจตี้เป็น A เราก็ไอประสานเสียงกันน ะ, ะันั่งไม่ได้ค่ะอืมอันนี้หายดีแล้วนะครับเมื่อก่อนนั่งได้กี่นาทีก่อนที่จะเป็นไม่สบายสี่สิบครับสีนะ่สิบนาโอเคทำมันได้สี่สิบมันเดิมไหมคิดว่าได้ครับโอเคได้นะทำการบ้านมาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่งพนความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้องค้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้องค้นความตายไปไม่ได้เราจะเรเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทงกรรมไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับุณหุก่นกรรมนานๆสืบไปเราทั้งหลายควรพิจรารณายอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดทำให้ดีนะที่ให้พิจรารณาเพื่อไม่ให้ลืมไหมครับแล้วร<ะ>่างกายทามีอะไรบ้างมีผมขนเต็ทฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับัพนพืน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 น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเส็ตน้ำดีเนี่ในสมองสีสัดอาหารเกา่าอาหารใหม่ไส้น้อยเซ้ใหญ่ปอดใตพังผืดตับหัวใจม้ามเยื่อใมมนใกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันและขนผมมีจัแม็อยู่ในร่างกายนี้ไหมไม่ครับมีเจตตี้อยู่ไหมไม่ครับไม่มีนะ แล้วร่างกายนี้เป็นของใครเออเป็นของดินน้ำลมไฟครับอา่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องกลับไปหาดินน้ํำลมไฟใช่ไหมครับเอาไม้มันไปหรือเปล่าครับน้องทำน้อ ง, องผมน้องง่ายหรือเปล่าเวลามันกลับไปหาดินน้ําลมไฟก็ไม่ไม่ครับเอา่าต้องไม่นะน้องใบมันทําอะไรได้ น, ะน้องใบมันจะมันจะกลับมาหา บรรยากาศมาใหม่หรือเปล่าใหม่ครับร่างกายก็เรียกอนิจจังไม่เทียมครับแก่แก่เจ็บตายแต่จะแม้เจ้ที่ไม่ได้แก่แก่เจ็บตายกับร่างกายเข้าใจไหมครับแล้วก็อนัตตารู้จักอนัตตาไหมไม่มีตัวตนเป็นดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟครับอเดี๋ยวก็ กลไปสู่ดินน้ำลงไฟใช่ไหมอันนั้นถ้ า, า, าทำความว่าจใจถูกต้องนะเราจะได้ไม่จะได้ไม่งแล้วจะไม่จะได้ไม่ทุกข์ไม่เสียใจครับต้องคอยเตือนใจว่าไม่เที่ยงนะมันเกิดจากจิตใต้เป็นธรรมดามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นดินน้ำลงไฟมันมันจะไปก็ให้มันไปครับ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครเหมือนกันหมดร่างกายของแม่ของพ่อขจะแม่ของเจ้าที่ของหลวหลวตาเหมือนกันหมดครับ <rec> เป็ น, นดินน้ํำลมไฟของพระพุทธเจ้าก็ดินน้ํำลมไฟ uh ไม่มีใครเป็นเจ้าของคต้ <op> องเคยดินน้ํำลมไฟไปไม่ช้าก็เรับเต็มตัวเต็มใจอับได้ไหม กลัวไหมไม่ครับเดนที่เป็นเดวที่เป็นเป็นจิตใจใช่ไหมใช่จิตใจไม่ได้เป็นอะไรเป็นร่างกายใช่ไหมใช่เ้นไปกลัวเลยรจิตใจก็อยู่เหมือนเดิมนะฝึกสอนใจใจใจจะได้หายกลัวใจไม่ได้เป็นร่างกายอ โอเคคมีอะไรไห ม, ม <c oughs> หนูมีคำถามนิดนึงค่ะ <c oughs> ช่วงที่ป่วยอะค่ะก็ได้พิจารณาทุกขเวทนาทางกายก็ใช้พุทธโธแล้วก็พิจารณาความตายแล้วบางทีมันก็มีบุญกุศ์เก่าๆที่เราเคยทำที่เราลืมไปแล้วอะค่ะมันผุดขึ้นมามันก็ทำให้เราเป็นสุขในในขณะที่ร่างกายเราเป็นทุกข์อะค่ะคาถามของหนูคือถ้าคนที่เขาไม่ได ศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติธรรมเลยอ่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดเขาใกล้ตายอะ่ะโทษนึกถึงบุญที่เขาเคยทําเนี่ยมันจะช่วยให้เขาสงบได้ไหมคะีันขึ้นอยู่ว่ามีบุญนะ ม, มีมีบุญทำไหมหรือเปล่าค่ะแล้วมันในงานที่เราเก็บไวนะ้เนี่ยถ้าเราไม่มีงานเราไปค้นหามาจากที่ไหนมันจะมานะถ้ามีมันก็อาจจะขึ้นมาก็ได้แต่ บ, <c oughs> บุญที่สูงสุดก็คือบุญที่เกิดจาก การภาวนาเนี่ยหละบุญที่เกิดจากการปล่อยวางปล่อยวางร่างกาย <c oughs> <c oughs> เห็นเนี่ยนี่ยบุญคือปัญญาเนี่ยเป็นบุญท่านสูงสุดอย่าไปนึกคิดถึงไปบุญที่ทำบุญทาตามแล้วหลายภพหลา ย, ยหลายเดือนหลายปีมาก่อนนะเอาบุญที่มันมีน้ำหนักมากๆดีกว่า แต่ถ้ามันจะโผล่ขึ้นมาเองก็ไม่เป็นไรแต่เราจะเป็นดึงมันขึ้นมาเองไม่ได้หรอก <Okay. S 1> ถ้ามันโผล่ขึ้นมาก็ดี <Okay. S 1> แต่ถ้ามีปัญญาอยจะดีกว่าปัญญาก็เนี่ยดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงปยมั <Okay. S 1> นไปอย่าไปายากให้มันอยู่เพรามันไม่อยู่อย่าเราจะทุกข์เข้าใจไหม okay. วันนี้สำคัญกว่าแต่ตัวมันจะโผลขึ้นมาแลก็รันเรื่องของมันแล้วถเกิดบาปโผลขึ้นมาจะทํำอะไรก็รห้ามมันไม่ได้ก็ต้องทําใจมันอยูเบกขาเฉยๆไปเป้าหมายก็คือต้องการให้ใจวางเฉยกับทุกอย่างไม่ทุกข์กับอะไรไม่สุขกับอะไรไม่มีดีไม่มีร้ายกับอะไรคครรัับบ <Okay. S 2> โอเคเข้าใจครับเดินไปต่อนะขอบคุาบรับคุณพระอาจารย์ครับอ่าได็กช้ทิมมามาทำในมรดกการคร่ะพระอาจารย์ <c oughs> อ่ะหนูมีอะไร <c oughs> การบ้านรายงาน <c oughs> ช่วงอาทิตย์นี้นะั่งสมาธิได้ประมาณห้าสิบนาทีครับเออแมงเป็นแมงเป็นกี่นาทีตอ่อัน ประมาณสิบนาทีต่อวันครับสิบนาทีต่อวันนะอืมแล้วนั่งในนที่สวยกี่นาทีสิบนาทีครับสิบนาทีเขใช้วิธีจับเวลาค่ะพะจะใช้วิธีตั้งเวลาตั้งเวลาไว้สิบนาทีเจ้าค่ะสิบนาทีทต้องข้างเลยครับน่าสงมไหมก็พยายามครับยังไม่สงมยังต่อสู้อยู่ครับอ่มต่อสู้กับอะไร ของีิเลสอยากจะเลิกใช่ไหมกิเลสอยากจะเลิกแต่เราก็อยากจะนั่งอ่พอเราตั้งพอเราตั้งใจแล้วเราจะนั่งให้ได้ให้ได้สิบนาทีใช่ไหมครับทีนั่งได้แค่สิบทีเพรอะวันเสาร์ไม่ได้นั่งครับเพอะไรเล่นเกม มันเสาร์ไม่อยู่บ้านครับมันเสาร์ไปบุรัมยาค่ะพระอาจารย์ที่ไปบริษัทกับคุณพ่อค่ะแล้คือมันเสาร์ก็เลยแบบไม่ได้นั่งอ่ะแต่ว่าเขาก็วันอื่นเขาก็นั่งอยู่อะไรเงี้ยพยายามเขาจะใช้วิธีตั้งเดี๋ยวนี้ใช้วิธีตั้งเวลาค่ะตั้งเวลาสิบนาทีให้ให้มันดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้นั่งแต่ันชิมก็มีง่วงใช่ไหมง่วงเขา ง, ง่วงเราชินใช้วิธียังไงนะลูกที่ะ <c ười> จะไม่ให้แบบมันง่ายลังเก่ง่ะค่ะ ง่วงแล้วแบบมืนมันจะไงหลังอะเขาก็บอกเขาเชื่ิงหลังก็เลยบอกเอองั้นทิมก็คงมีสติแหละตอนนั้นก็เลยพยายามต้องมีสติบังคับไว้ไม่ให้มันไงหลังอืมนั่งนั่งนั่งพิงผาก็ได้นั่งเป็นเก้าอี้นั่งกับพื้นนั่งกับอะไรนี่กับพื้นครับนั่งกับสมานิครับโอเคก็ให้มันอยู่ใกล้ๆผ้าผนังเดี๋ยวเวลาจะเนก็จะได้ไมน ตรงหน้าพระมันเป็นนลงๆคับอ๋อลงๆนั่งที่ไหนก็ได้ไม่ต้องนั่งหน้าพระก็ได้หรอนั่งสมาธิเวลาพระเจ้าตรัสรูก็ไม่ได้นั่งที่หน้าหน้าพระพระเจ้าก็นั่งอยู่ใต้ต้นโพล่ะคร่ะเดี๋ยวกลัวนั่งพิงผนังเดี๋ยวอาจจะหลับอะ่ะเพราอย่าไปอย่าไปพิงให้มันชิดเลยอย่าไปอย่าไปโดนผนังมีผนังเผื่อไวไ้เผ่ถ้ามัน มันไงหลังืงหลังก็จะได้มีผนังรองรับอยู่ <c oughs> แต่ยังแต่ยไม่นั่งให้มันแต่ผนัง เ, เ, เดี๋ยวจะลองดูค่ะเดี๋ยวจะลองเป็่นสถานที่ดูค่ะอาจารย์ก็วันนี้ได้ฟังได้ฟังอ ที่พระอาจารย์เทศสอนสังวันเนี้ยค่ะรู้สึกว่าหลายๆเรื่องได้ได้ได้ประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งคุยกับเขาเรื่องเนี้ยค่ะพอดีวันนี้เขามีสอบวิชาพุทธศาสนาเราเพคุยกันนะคะพระอาจารย์แล้วก็อืมก็ก็พูดกันถึงเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความตายคือเขาพูดว่าเหมือนถามว่าแบบหนูก็บอกว่ามันไม่มีใครฝืนความตายไปได้พ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแบบคือคือคุยกันแล้วก็สอนเขาแต่เขาก็พูดเหมือนว่าแบบมีสิอะไรเงี้ยเหมือนแบบ พระเจ้าเหมือนเขาคงจะเคยได้ยินมาว่าเออเหมือนพระเจ้าไงที่เนลามิดได้ว่าแบบไม่ขอได้ว่าไม่ต้องตายหนูก็บอกว่าอันนั้นมันเป็นแค่แบบเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะหนูก็ถามเขาว่าชินเคยเห็นใครไหมที่ไม่ตายแหมแต่กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ยังแบบก็ยังต้องตายก็ไม่สามารถจะฝืนส่งวัตสงสารนี้ได้อะไรเงี้ยหนูก็พยายามอธิบายเขาให้ให้คุณชินกับเรื่องนี้อะไรแบบเนี้ยครับในเป็นการให้ข้อมูลที่ ที่ต้องบ อ, อกความเป็นจริง<ะ>แล้วก็ค่อยเขาจะค่อยๆซึมซาบไป<ะ>ทีละเท่หนอ่อยค่อยๆซึมซาบค่ะพาจารย์<ะ>เพราะว่าหนูหนูก็แบบอย่างเรื่องเพื่อนที่โรงเรียนก็คือเด็กๆไปก็อาจจะมีปัญหาอะไรบ้างหนูก็ก็ ก, ก็ก็สอนเขาเหมือนเหมือนที่น้องเขาเจอก่อนนะว่าเออเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเราไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้อันนี้ยมันเป็นอนัตตานะลูกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่า<ะ>ทิมก็เลือกที่จะแบบ ฉเฉยไปได้ไม่ต้องไปสนใจอะไรแบบเนี้ค่ะคือเขาก็เขาก็ใช้เหมือนแต่เขาไม่รู้ตัวเออเขาเขาได้ใช้หลักธรรมะที่ที่ที่สอนเขาหรือว่าที่เขาซึมซับมาเนี่ยในการแบบแก้ปัญหาในการที่เข้ามาค่ะพระอาจารย์หนูก็บอกเขาว่าแบบต่อไปอะทีมจะต้องเจอความทุกข์มากกว่านี้อีกนะที่มาให้ทีมฝึกฝึ ก, ฝกออปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยทีมจะได้รู้จัก วางใจให้มันแบบเฉยๆได้อะไรเงี้ยค่ะต่อไปอาจจะต้องเจอเรื่องที่หนักกว่านี้อะไรแบบเนี้ยค่ะหนูคิดว่าเออครั้งครั้งที่ผ่านมาพอดีเขาเจอปัญหาเขาก็เขาก็ผ่านมันมาได้ด้วยด้วยด้วยการใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยอะไรแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์ดีดีแม่ฉลาดก็สอนลูกเขาให้ให้ให้มีอาวุธไว้ต่อสู้กับเหตุการณต่างๆใช้เมตตาใช้อุเบกขา ถ้าไม่ตามแม<ๆ>้วก็ใช้อุเบกขาเฉยไปก็บอกเขาแบบนี้ค่ะว่าเออแบบมีอุเบกขาแล้วก็คือชิมก็มีปัญญาเนาะว่าเออทิมรู้ว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะคือเราไปบงังคับคนอื่นเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้มันก็เออสิ่งเนี้นก็เป็นปัญญาคือหนูคุยกับลูกตอนนี้ก็เลยสอนเขารักษณะแบบ เป็นแบบนี้ไปว่าเอออย่างเงี้ยเรียกว่าอยู่ใช้ธรรมะแบบไหนเข้ามาอะไรแบบเนี้ยค่ะพรอาจารย์เขาก็อาจจะแบบอาจจะเก็ตบ้างไม่เก็ตบ้างค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าการที่เราคุยกับเขาบ่อยตพูดบ่อยบ่อยแล้วเขาจะค่อยๆเข้าใจอเล็กเทน้อยเหมือนอย่างที่เขาได้ฟังเมื่อะกี้นี่หนูก็เอออย่างน้อยจะมากน้อยเขาก็คงได้ซึมซับอะไรแบบเข้าใจบ้างว่าหลายๆเรื่องมันก็ตรงกับชีวิตจริงหรือว่าเหตุการณ์ที่ หรืว่าไม่ใช่เฉพาะกับเด็กๆคือทุกๆคนก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ฟังเขาก็คงจะได้เข้าใจวันนึงถ้าเขาก็ต้องเจอแบบนี้เหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์เด็กฝ<ๆ>ึกฟังทำมาตั้งแต่เด็กมันง่ายด้วยไม้ <ๆ S 2> ไม้อ่อนดัดง่ายกว่าไม้ไม้แก่อไม้แก่แล้วก็ยิ่งโตแล้วยิ่งเดือยยิ่งไม่ไม่ไม่ได้รับความ่าอาจารย์ค่ะก็แต่ก็แต่ก็บังคับก็ไม่ได้เขาจะเชื่อไม่เชื่อนี่ก็เป็นเรื่องของเขา มันมีแต่การให้ข้อมูลเข้าไปแล้วเขาจะเอารับไปใช่หรือไม่ น, นี้ก็เป็นเรื่องของเขานะ้วเราหมดหน้าที่ค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ทำได้หน้าที่แม่แบบนี้ค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ตัวเขาอะค่ะว่าเขาจะได้รับไปมากน้อยแค่ไหนในแบบนี้ค่ะโอเค ม, ม, <ข>มีอะไรไหมไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์ก็ขออาจารย์ท่านแข็งแรงนะเจ้าค่ ะ, ะไปที่น้องพีต่ออยู่เปล่าน้องพี มันยังทำปฏิทธกรรมอยู่การนมัสการค่ะหลวงพ่อง่วงนอนค่ะหนวบอกให้ขึ้นไปแปลงฟันก่อนค่ะแล้วรีบลงมาวิ่งขึ้นไปแปลงฟันอยู่ค่ะอย่างนี้ไปก่อนเนี้ยนี่จะพูดเลยก็จะมาแฮปปี้เบิร์ a เดย์ค่ะมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์มันแฮปปี้ไหเราไม่ทราบเพรย้อนหลักค่ะซัฟเฟอร์ลิงเบิร์ดเดยไม่ใช่ Happy Birthday ทุกจันวันเกิดค่ะหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อธาตุขันแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้หลวงพ่อเป็นล่มโป้ล่มไซให้กับลูกศิษย์หลานศิษย์ไปอีกนานๆ น, นะคะพี่เจ้าบอทุกครั้งวันเกิดทุกครั้งเบอร์เดย์อ่าตาเป็นทุกตายเป็นทุกเกจ็บเป็นทุ ก, ทกตายเป็นทุกคมันทุกทั้งนั้นกับมองไม่เห็นกันนะกิะเลสมันปิดบังให้เราได้นะอย่า ง, งานั้ แสดงว่าถ้ายังแฮปปี้อยู่เท่านั้นน่าจะกรรมมาเกิดอีกเส้นน่ะไม่แล้วค่ะเบื่อมากเลยค่ะทุกวันนี้อ่าเบื่อแล้วทำไมมาแฮปปี้วันเดอร์ได้ไงก็ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะก็ต้องกราบมุทิตาหลวงพ่อค่ะก็พูดทุกครั้งวันเดอร์แต่ว่าทุกรั้งเดอ์ไม่กล้าพูดค่ะหลวงพ่ออ่าทำไมเราเป็นนักปฏิบัติทำไปกลัวความจริงทําไมไม่ไม่กล้าพูดกับหลวงพ่อค่ะดูแล้วมันไม่ดีค่ะ ลงมาแล้วค่ะนัน้วมาสัสการดลงตาค่ะอช่แงันเสร็จแล้วเหรอแ ป, งปรงฟ<า><า>เสร็จแล้วค่ะเสร<า>็จแล้วค<า>่ะสะอาดไหมอค่ะรีบแปรงนี้ลงม า, <อ>า ม, มีอะไรจะบอกลวงตาไหมวันนี้ตาเมื่อวานไปนตักปาทเมื่อวันจันทร์เมื่อวันจันทร์ไปตัก บ, บาท ตักเคสตักบาตักเคสิตักบาตกี่ลูกครับสามลูกสมลูกไปดักที่ไหนที่วัดไหนวัดสรีศุกค่ะอไปตักในศาลาเนอะตักตอนที่ท่านเดินมินทบายนันท่านเดินมีนทบัดค่ะอไปดักคอยท่านนะใช่ค่ะแต่แต่ว่าวันนั้นไปนี่คือมันมันสายแล้วค่ะมันประมาณใกล้เจ็ดโมงแล้วค่ะ ก็พระมีพระบางรูปท่านก็เข้าเข้าไปในวัดแล้วค่ะบางรูปก็กำลังเดินกลับมาอือมีคนไปดักสายบาทเยอะไหมก็ตามทางตอนเช้าก็มีนะคะมีเยอะค่ะบางทีหนูก็เข้าไปวัดพุทธบูชาค่ะไปดักบาทกับหลวงปู่สนนะคะค่ะแต่ว่าพอดีว่ามันสายแล้วก็เลยก็เลยไปตรงวัดศรีสุขทางที่จะไปโรงเรียนน้องผี แล้วบ้านมีมีวัดเยอะไหมวัดเยอะค่ะบ้านหนูก็เอข้างๆบ้านก็จะเป็นวัดหลวงพ่อประสีค่ะถัดถัดเข้าไปก็เป็นวัดพุทธบูชาหลวงปู่ศนค่ะค่ะแล้วก็ไม่มีมีมีพระเยอะเลยบ้านน้อยไหมมีพระมั้ยเยอะค่ะเยอะค่ะใช่ค่ะที่ที่ที่วัดพุทธบูชานี่เป็นเป็นสายหลวงปู่มั่นเหมือนกันเจ้าค่ะ เป็นทางที่หลวงพ่อวิริยังท่านท่านเคยมาสอนค่ะที่นี่ค่ะแล้วก็เอ่อหน้าปักซอยก็เป็นวัดยายล่มค่ะแล้วก็มีมวัดโพทองวัดศรีสุขวัดบางขุนเทียนนอกวัดบางขุนเทียนในวัดเยอะมากค่ ะ, คะตลอดทางบ้านหนูที่จะไปะ ม, มีให้ทำบุญเยอะเลยค่ะ ก็ดีประเทศไทยเนี่จะรู้สึกเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาแล้วทุกวันนี้ใช่ค่ะไม่มีประเทศไหนที่มีวัดมีพระมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธประเทศไทยคนะ่ะยิ่งยิ่งถ้าเกิดว่าไปเส้นวุฒากาศนี่หูยกมือไหว้ยกมือไหว้เสร็จเอามือลงแล้วก็ยกมือไห ว, ว้ต่อคือวัด ต, ติดตกันเลยค่ะแถวแถวเส้นวุฒากาศนะคะขึ้นไปแถววุฒากาศขึ้นไปตลาดพูแถวตรงนั้นนะคะอื ค่ะแล้วบางทีเราก็ไปที่วัดประดู่ฉิมพีด้วยค่ะหลวงปู่โตเนี่ยค่ะที่ที่ที่ที่ลูกชายคนโตบวชนะคะอคะที่เพิ่งนัางใจนะวัดวาลามเป็นที่เพื่อนทางใจน ะ, ะมีความสุขค่ะที่ได้ไปบอกน้องพีว่าอเอาไปน้องพีเราเร็วไปตัก บ, บาตรกระเด้งขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าไปน้องเรียนก็อิดออดนะ จะไปตักบาทลูกอ่ะอันนี้มีวินัยนีชอบค่ะไม่ต้องคุ้นมากะอาหน้าตรงตงลูกสลับอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าง่วงนอนทำการบ้านเสร็จหรือยังครับไม่มีกันบ้านค่ะไม่ยุ่ยเลยอันนี้ปิดเทอมอยู่แล้วเปิดเทอมแล้วะเปิดเทอมค่ะปิดแนะเปิดเทอมแล้วค่ะก็จะมีโปรเจกต์มีให้ทํางานเยอะแยะไปหมดค่ะก็ดีค่ะเป็นอะไรที่เขาชอบ อืมค่ะพอพอเริ่มขึ้นมานหนึ่งก็จะมีงานงานประดิษฐ์งานอะไรเยอะเยอะใช่ไหมลงุงเนี่ยก็เล่นงานนะนั้นเนี่ยค่ะว่าผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะตกใจค่ะ <c oughs> ก็อายุมากนะเก้าสิบกว่าแล้วค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีใครไม่ตายนะใช่ค่ะก็ก็เสียดายที่ไม่ได้เจอท่านนะคะอืมแต่ว่าได้ได้ฟัง อ, อความคิดของท่านที่ท่านจะแบบสอนเด็กๆให้มีอนาคตที่ดีและหนูฟังแล้วหนูชอบมากค่ะดีมากอืเสียดายค่ะท่านเป็นคนเก่งคนฉลาดเนี่ยหลวงพ่อรู้จักด้วยเหรอคะก็รู้จักผ่านอาจารย์พมไม่ไรเนี่ยอ๋อนะคะอ๋อทำงานกับท่านเริ่มทํำงานกับท่านอ๋อเหรอคะออสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีผ่านที่เขาขค่ะ <laughs> ดีใจค่ะได้ได้รู้จักกันงนี้ด้วยค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะหลวงพ่อหนูยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะนั่งสมาธิทำบุญอยู่เหมือนเดิมค่ะโอเคทำไปเรื่อยๆอย่าทิ้งเนะค่ะไม่ทิ้งค่ะทิ้งปุ๊บทิ้งปุ๊บนอนไม่หลับค่ะว่าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ไม่ได้ทำก็เหมือนแบบตาค้างเหมือนนอนไม่ได้ค่ะต้องทาอ่าดีโอเค เดียไปที่เด yeah, ็กชายเลนต่อบกันนะผู้ใหญ่รอเดียวนะอาแข็งแรงนะคะใ่่สาธุเด็กชายเลนยังกลับกับกลับข้อกับลูกกับบอกข้อก่อนครับกลับกบสามทีครับจะบ่วยัะวยเห็นไหมพระาจารยไม่กับสวยๆเอามาอากาบสวยๆเอามาอ่าน้องลินอากาบต้องกลับดีๆอ่านะค่ะ อ่ะดีดีหนูไม่ต้องตามโอเคอากานักเรีนค่ะสวยสวยโอเคพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เก่งมากครับเอาเลยอิติิโควิพพาพุทธอิาตรามัมกันุสุขโตโลกาวิชูอนุตตลุสัตริสัทธาเทวานุสนาพูทโควะเ อ่าเก่งมากต่อไปขอตาน้องน้องลินทน่องนโมตัสสนะคะอ่าน้องลินเอาเลยค่ะอ่าโมตัสโมอาวจยมาจุบุรนโมตัโมธัอมุบธตรนโมตสโมตัสตุอกสัมมาสัมพุทธะโอเคอ่าอ่าต่อเน่อต่ออาหางสัมมาอ้อาวเออดเอาทองลงมาจากนิติโตมาได้เอาเลยอ่ะ ท่องสิท่องอยังไงคะอะไรท่องซ้ำมาซพูดถูกพระควาวะพุทธทางพระวรนตั้งอภิวาเทมิอืมอ่ะน้องดินไม่เป็นไรอ่ะ น, อน้องน้องนท่องไรสวา้าโตอะไรอวสวาก้าโตพระคาวะตาธมโมธรมมังนามาซาำนี่กบอ่าสุปฏิสุปฏิปันโนพระเวราโตวสาวากะสร้างโคสร้างคานามามิอ่ากันเก่งมากอ่าอ ส่วนไดๆที่ข้าพเจ้าได้กระทาแล้วข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลแก่มนุษย์ทุกชาติทุกาภาษาทุกคนละโลกในพวกต้งสำขอดูแล้วสรรางอันเป็นเพื่อนทุกเกลียเจ็บไ ด, ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงอย่ามีเวรเัยอย่าได้เพเบ็ดเบ็ดทึ่งกันและกันขอจองได้ผลทุก ม, ม, มีความสุขมีความส ง, งบช่กันด้สรรเพสตาเวลาอภิญญ า, า ส, สตา น, า, านี้ค่ะสุขีอตาางไปานาตุ เรามีความอะไรครับเรามีความแก่เิ็นธรารจะลุกเป็นมละรามีความเจ็บไข้เป็นาจะลุกนความเจ็บไข้รามัความเอ่อในความใจเป็นมาจะล้นความใเป็นไมละเรามควรัดผักราของรของจะเลือนจต้องไหนต้งโงเราจะล่วงัจากความพักไม่ได้เออล่วงโค้จะกความพัดพักไม่ได้อ่า้องแอลฟีขาอ่าว น้องเลีนอูะชูอ่ะท้องนี้หนูทองข้องอ่ะอุชูอ่ะเร็วอ่ะชอม่ังกนะี้ได้ท้องเดียวเจ้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวงอนเจ้ะว่าอาจารย์แล้วแล้วขอให้พระอาจารย์ผาแข็งแรงก่อนเร็วขอขอให้หลวงปู่เร็วเร็วเร็วขอให้หลวงปู่สุภาพแข็งแรงวก่อนครับเดี๋ยวขึ้นขอใหู้่แข็งแรง่อนแข็งแรงวิสุทธิบัพช้แขงแรงแข็งแรง อครับองานลุขอให้ลุงปู่สุขภาพแข็งแรงอ่ะพูดดิซิคะขอให้ลุงปู่สุขภาพแข็งแรงคูุยเกือบโดนโอเคค่ะโอเคแบบถ้ามาเป็นเด็กดีนะอ่าเนี่ยลุงปู่บอกว่าขอให้หนูเป็นเด็กดีนะหดี๋ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอุ้ยขอโทษค่ะไม่เอาไม่ไม่เอาไม่เอาค่ะโอเคค่ะคุ้มจ้าะอาไปนอนได้แล้วไปเร็วไปอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่นหลูก ขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อโอเคหมดแล้ว่ะไม่มีแล้วหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณค่ะตามไปที่อาจารย์ผมไม่ได้ามตามเได้หมดคิวแบวรัฒนรรมอาจารย์ค่ะรวัฒน์ศรรมอาจารย์ครับไปไดทรักกายสองอาทิตย์อ่าก็ยังได้นได้ยินข่าวๆอยู่ ก็พยายามจะสงอัปเดตอัปเดตนิดไปทำทำภารให้กับชีวิตชีวานะก็ทุกครั้งที่ไปก็ล่าเริงแต่ว่าตอนนี้มีผู้คุมเยอะทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ลูกข้าวม้วน เี๋ยเป็น้มเป็นายไรไปลมไปเริ่มเป็นชีวิตแนวใหม่อันนี้ต้องระวังนะเลคืออาการนมนะเขาบอกนมที่กระดูกกระเดกวันอาจจะหัดได้ใช่ฮะ <c oughs> ด้วยวัยแล้วทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองค่ะ <c oughs> เพราะอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมา <c oughs> ก็มีเพื่อนเดี้ยมไปหลายเพือนอ ไปเซลสวัสด์นะอ่าใช่ครับก็ไปไปสองในสองอาทิตย์ฮะเร้อยู่รู้จักเนี่ยเพราะเราอยู่ในช่วงใบใบร่วมกันอะไม่ใช่ใบใบผลิตอนนี้ก็เหลือเพื่อนน้อยลงออืมเราก็รอเวลาเอาก็รอเวลาของเราเราก็รอเวลาอยู่ครับ เตรียมแพ็กของให้ดีเ<ช>ตรียมกระเป๋าเตรียมอะไรไวต้ต้องต้องรีบแพ็กมากเลยค่ะอืแพ็กธรรมะไว้ให้ไว้ได้เยอะๆที่สุดค่ะอพราะเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทําไมเลยตอนนี้รู้แล้วว่าเกิดมาทําไมอืก็พยายามที่จะต้องไม่เกิดอีก<ช>อตันนี้พระจันเทพดีนะคะตอนบายตอนบายค่ะอ่ายวันพระวันลอยกระทงเนี่ยค่ะชอบ ชอบชอบทำไมชอบก็แบ่งเป็นสี่กลุ่มเราก็มาสำรวจตัวเราเองว่าเราเราอยู่ตรงไหนนะเราอยู่ตรงไหนนะมันดูช้ามันดูแล้วเราอยู่ตรงไหนยากง่ายเราคงอยู่ในที่ใดที่หนึ่งตรงนั้นอยู่ตรงกลางแล้วกันคงประมาณถ้าคงประมาณเอาแบบสองต่อสามเนี่ยมั้ สองจุดไม่ใช่สามจุ ด, มจดไม่ใช่สีจุดไม่ใช่ประมาณ2ต่อ3อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าฟังแล้วก็แบบชอบใจเมื่อวานนี้ฟังก็ชาวต่างชาติก็แฮปปี้โนว์เบิร์ดเดย์พระอาจารย์เยอะมากเลยนะคะเขาใช้คำได้เหมาะสมอเขาบอกแฮปปี้เบิร์ดโนวเดย์ไม่มีใครบอกแฮปปี <Happy Birthday S 2> ้เบิร์ดเดย์แฮปปี้โนว์เบิร์ดเดย์หมดเมุกอคืนนี้ก็ดีนะคะคนต่างชาติก็ถามเรื่อง กรุณาใช่มความกัรรุณาคนที่จะมาจากุลุกไฟ อ, อ่ะก็เขาสนใจนะเขาเกิดมาไม่ได้ยึดกานในเมืองพุทธแต่เขาก็ยังมาศษาเข้ามาศึกษาเนี่แสดงว่าเขามีบุญเก่าเยอะมีความพยายามเยอะหน้าตาเขาอิ่มเอมมากเลยเหมือนกับรอวันที่จะได้มาพบอาจารย์ยี่สิบแปดพฤสจิกา ทำได้ว่าเขาแบบหน้าเขาเบิกบานกว่าทุกคนที่เขาเข้าอ่ะเขามาหะไรวันนะมาหะไรวันนะทำให้เห็นว่าเออเขามาตั้งไกลไกลมากนะคะมาเพื่อเพื่อธรรมะจริงๆริค่ะวันวันโนเบิร์ดเดย์ก็รู้สึกว่าใช้เวลาสองชั่วโมงบินบ่เปิดยู u b e ดูอยู่ที่นั่นเออบ็นบ่าประมาณสองชั่วโมงอ่ S <S ได้ดูตลอดเลยค่ะได้ด<า>ูได้ฟังเทศตลอดกรรมทิศร า, าก็ากเกือบสองชั่วโมงก่อนจะได้ฉันสองชั่วโมงเลยสิบโมงขึ้นคนเยอะมากเลยวันนั้น ท, ที่ที่วันวันพระจานทร์วันที่สองนคะคะเราก็ได้รับหนังสือเราด้วยค่ะหนัง<ม>สือกรรมทิศึงก็ได้อ่านเลยอืติดต่อผ่านคุณจุ๊บ่ะค่ะร่วมล่มทําบุญไปหน่อยร่หนึ่ง ก็เลยได้หนังสือมาอ่อานแล้วฉบับนี้สมบูรณ์ดีน่าละเอียดสนุกดีคะ่ะอ่านแล้วได้ไดการศึกษานักธรรมเป็นคนจัดการเราเราไม่ได้เป็นคนรวบรมเราเพียงแตบแสดงทำไปพูดไปแล้วกระจายกระจายอยู่ในในธรรมต่างๆแล้วพระก็ไปรวบรวมมามาเป็นเรื่องเป็นนามาปติดมาต่อเป็นเรื่องเปล็ลายค่ะ ่็เลยเป็นธรรมะทุกขั้นทุกตอนตั้งแต่<ห>นั้นหแหละให้เราตั้งเองตังไม่ได้มันเป็นเรื่องแต่แต่คำพูดที่พูดอยู่ในหนังสือเนี่ยก็เหมือนคำพูดของพระอาจารย์ที่ที่เทศอยู่ประจำใช่เขาก็เขาเขาลอกมาจากหนังสือต่างๆที่เราให้เทศไว้ก็เลยเขียนว่าเป็นฉบับสมบูรณ์ใช่ ไอ้ไม่สมบูรณ์มันต้องรอให้ตายก่อนถึงจะสมบูรณ์สมบูรณ์ตอนช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เแล้วเวลาเลิกเสียงานสมรน์ตอนนั้นอาจจะสมบูรณ์เต็มที่อาจารย์คงอยู่ยาวกว่าเราอ่ะไม่ไม่มีการรู้หรอกรู้ได้ก็ดีเลยไม่เงี้ยเราต้องขอขอไว้ไงเพราะว่าเราจะได้ไปฟอนเรื่องเรื่องเรื่องกรรม ชาติก่อนอาจจะทำบุญทำบาปมาไม่มากน้อยไม่มีใครรู้หรอกดูสิแม่แต่พุทธเจ้าก็าอยู่ได้แค่แปดสิบปีในชะ่มเป็นเรื่องที่มันอนัตตามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะสามารถไปกำหนดได้เราจะอยู่ถึงเวลานั้นถึงเวลานี้มันอยู่ไม่ได้หรอกเราก็อยากจะขอว่าเราขอไปอย่างเออสบายๆอะ ป๊อกไปเ <yüzden S 2> <phin eventually. S 1> ลยอะไรเงี้ยต้องพยยัมทาวนาป๊อกป๊อกปบไปเลยอะไรเงี <ming> ้ยแม่พยาจารย์อย่างเงี้ยจะมาสบายจังเลยไม่องเข้าโรงพยาบาลใช่ใช่ใช่ดีที่สุดเลยแต่เราเลือกกันไม่ได้นะเรื่องบุญกรรมนี่แต่ละคนอก็ทําใจก็แล้วกันมันจะเกิดขึ้นของมันก็ต้องก็ต้องทําใจ แต่น้อยก็แยากเราออกจากตัวร่างกายให้ได้กันก็แล้วกันมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราอยู่ต่อร่างกายมันถึงเวลาจะไปก็มันก็ไปแต่เราไม่ได้ไปกับมันเราอยู่ต่อจ ะ, จะอยู่แบบไหนก็เรื่องอยู่ขึ้นอยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่เราทำปไปเลยจะไปต่อแล้วไม่ไปต่อก็อยู่ที่ กิเลสยังมีอยู่วะปะแต่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังไปต่อถ้า ม, มีกิเลสแล้วก็ไม่ไปต่อแล้วไม่ไปต่ออ่าแต่ที่นี้ชีวิตก็มีท่านี้เอง<ช>ไม่มีอะไรน่ากลัวน่าตื่นเต้นตกใจถ้าเราได้ศึกษาเต็มที่แล้วเราก็จะทําใจเฉยๆดีที่สุดเพราะทาอะไรไม่ได้เมือนินท้าอากาศพออายุจะมามันจะหยุดมันก็ไม่ได้น นยเจ้าล้วก็ห้ามมันไม่ได้ทําได้อย่างเดียวก็คืออยู่กับมันไปค่ะก็ในจออย่างในจอวันนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนเราใครคนใดคนหนึ่งจะเหลือแค่หนึ่งอยู่ในจออืามันจะไม่ไมีไม่ไม่ได้โผ่ขึ้นมาแล้วก็ได้ใช่เราไม่รู้อด้อยู่สองวันเนีายจะเหลือแค่หนึ่งเลย ก็เมื่อวันนั้นมาถึงก็เป็นไปตามธรรมชาติอดี๋ยจะบอกปล่อยวางได้จะเป็นสุขอย่างยิ่งนะปล่อยวางขันได้เป็นสุขอย่างยิ่งปล่อยวางหลังขันได้เป็นสุขอย่างยิ่งอุปัสมสุโคหลังขันป็นของไม่เที่ยงร่างกายมันของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาปล่อยวางได้ก็จะเป็นสุขอย่างยิ่ง โอเคนะพยายามปล่อยวางให้ได้นะปล่อยเรื่อยๆปล่อยต้องต้องซ้อมปล่อยจะมาอ<ง>ลองจิตสุดท้ายแล้วปล่อยปล่อยไม่ไหวแล้วถ้าไม่ซ้อมเหมือนนักกีฬาไม่ซ้อมเลยเราจะไปวิ่งแข่งกับเขามันสู้เขาไม่ได้หรอกต้องคอยซ้อมไว้ก่อนได้คะ่ะเราต้องฝึกอยู่คะ่ะค่ะไว้แจนทัดแข็งแรงแต่านัานองอ้อมตาคุณอ้อมหนังอ้อม อง่ายไอ้หมุนที่เข้ามาบ่อยเตัวถึงมาบ่อยเลยนี่เมื่อก่อนหายไปนานเลยมาฟังธรรมค่ะเลยไม่มีอะไรนะค่โอเคเไปที่คุณสาธิกาตาสาธิกาชายหน้ามาฟังธรรมกแต่ไม่มีอะไรอะค่ะปฏิบัติอยู่ท่าไม่ไม่ไปลอยกระทงกันเลนี่ลูลูลูไม่ค่อยได้ลอยลูไม่ไม่ แทบจะไม่เคยเคยรอยตอนเด็กๆเลยค่ะอพอโ ต, ตขึ้นไม่ไปไห น, นค่ะพระอาจารย์ไม่สนใจเลยนะไม่สงการอะไรลูกก็ไม่เล่นเลยนี่ค่ะโอเค่าธุไปที่กุนเอกเชียงรายาที่เชียงรายตอนนี้เขาเล่นรอยกระทงกันหรือยังตรงนี้ครับกาบนัวัฒนธรรพระอาจารย์ครับก็ก็มีเทศกาลรอยกระทงอยู่แล้พระอาจารย์ครับอครับม แล้วอยู่ติดน้ําของที่ที่ที่ยางวัดที่เราอยู่เออก็ไม่ติดครับอาจารย์ห่างประมาณสิบกว่ากิโลครับอาจารย์ครอ๋อไม่เห็นมีมีงานกันอยู่ครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปครับจนอย่างนี้อยู่ริมของให้เขาเขาจะรอยแถวแถวแม่น้ำโขงนะครับครับผมใช่ครับมันมีตะลิ่งที่เขาทําเป็นทางเดินลงไปสะดวกดีเหมือนกันนะครับ ก็มันมีฝนมันเพิ่งหยุดไปสักสองสาวันเนี้ครับพระอาจารย์ช่วงก่อนมีฝนช่วงเย็นนะครับก็ไม่ได้ไปก็ไปลอยแถวบ้านนี้แป๊บหนึ่งก็กลับมาออย่างไม่มีอะไรก็ไม่มเพณธีทำไปครับก็วันนี้ก็เข้ามากาบพระอาจารย์ครับดีนานๆได้เจอกันสักทีก็ยังดีไม่ทิ้งกันอยู่แต่ก็ เออพวัะ น, นั้นฟังพระอาจารย์เทศแต่ก็จําไม่ค่อยได้อยากขอโอกาสพระอาจารย์เทศให้ฟังอีกรอบนะครับที่ว่าเวลานักปฏิบัติเราเจอกันก็จะคุยกันแต่แต่เรื่องที่ว่าเรื่องอะไรนะที่สี่สิบอย่างด้วยกันก็สิบอย่างคั บ, ครบพระอาจารย์ใช้ครับทาที่คนจะสนทนารรมบุลข้อที่นักปฏิบัติคนจะคุยกันคือหนึ่งมากน้อยความมากน้อยอ่าแล้มากน้อยในปัจจัยสี่ อยู่แบบง่ายๆเรียบง่ายพออยู่พอกินไปเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอรองเท้าพู่หนึ่งก็พออะไหรนลานี้ครับให้มีเท่าที่จําเป็นต่อความต้องการของร่างกายอย่าฟุ่มเฟือยอย่ารู้งระาอย่าอะไรมันเสียเวลาพอเราถ้าใช้มากเราก็ต้องใช้เวลาไปหาเงินมาซื้อมันมากถ้าใช้น้อยเราก็จะไม่ต้องเอาเวลาไปหาเงินมาซื้อของต่างๆจะได้มีเวลาไปไปปฏิบัติธรรมได้ ให oy, in ant, ้มากน้อยในในปัจจัยสี่หรือไม่ใช่ถ้ามากน้อยแล้วมันมันบางทีมันมันได้น้อยกว่ามากน้อยก็ต้องยินงี็ต้องสันโดดยินดีตามมีตามเกิดครับางทีเรามากน้อยแต่เราเราต้องการแค่เสื้อผ้าสองสามชุดแต่มันมันได้แค่ชุดเดียวนี้ก็อ้างก็อยู่กับชุดเดียวไปก่อนครนี่สั่นโดดยิ่งยิ่งโหดร้ายกว่ามากน้อยมั่นโดดก็เคยยินดีตามมีตามเกิด ไม่บุ่นวาได้มากได้น้อยก็ก็ก็พอใจ <targeting. S 1> ไม่ไม่เดือดร้อนตอนนี้อาจจะไม่ได้กินข้าวก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยสันโด่วนก็ที่สามก็คือต้ะะอง น, น้อยสันโด่วนอะไรเอ่ย อ, อะไรก่อนดีอ้ จำได้จำได้ไหมเราก็ความจํานึ่งนี้ไม่ค่อยมีแต่ผมนีแต่เราแล้วน้อฉันโดดแล้วก็ก็จะสา่ก็คือทําเปกวิเวกแล้วกันเปรียบวิเวก<ะ>แล้วนักปฏิบัติต้องคุยถึงเรื่องสถานที่ปฏิบัติที่ไหนเงียบดีที่ไหนสงบดีะไปที่นั่นดีวันนั้นดีวันนี้ดีนี่นเปรียบวิเวกชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบอยู่ก<ะ>ับใคร แล้วก็ตอนที <S <S ่ใสสีก็ไม่สังคมกันใครเนี Yet, ่ยไม่คุกคีกันตอนที่ไปอยู่ที่เดียวกันก็แยกกันอยู่เช่นบางทีไปอยู่วัดปฏิบัติด้วยกันหลายคนแต่ก็อย่าไปคุกคีกันครให้แยกกันอยู่ให้ไปบาเพ็ญภาวนากันดีกว่านั้นชมคมนั่งสมาธิคุยเรื่องเรื่องอย่าคุกคีกันไม่ใช่จะกันคุยกันม่ทั้งกินกาแฟกันหน่อยม่ทั้งกินน้ําชากันหน่อย แล้วนั่งคุยนินทางกาันเลยจิตไปพุ่งสร้างขึ้นมาคอเจิตจิตจิตสมองนอกก็เป็นสมุทยัยเป็นกิเล ส, สต้องต้องเดินเข้าข้างในเเข้าข้างใ น, นก็ต้องไม่ยุ่งกับใครต่างคาต่างอยู่กันไปเหมือนกอดกันอะ่ะคนที่พาะปฏิบัติที่อยู่ด้วยกันนี่ก็เพื่อกอดกันหรือเปล่าเห็ย่อมไม่เห็นคุยเลยไม่เห็นอะไร ไปอยู่วันหนึ่งชาวบ้านถามทําไมพระไม่คุยกันเลยไม่ทักทายกันเลยเวลามาทำํำงานก็ต่างใครต่างคนก็ต่างทําป็นมากว่าบ้นกว่าเขาเลอากันหรือเปล่ า, าไม่หรอกนี่เป็นวิธีการของพระองคนักปฏิบัติเราจะมีสติคอยกํากับกายวาจาใจของเขาไม่ให้ไปยุ่งไม่ให้ไปวุ่นวายกับใครครับผมไม่โุกคีกันสีคุยเรื่องข่าห้างคุยเรื่องความเพียะ อันนี้เดินโยงกงกี่ชั่วโมงนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงความเพลินความเพลินโอนข้าวได้กี่วันได้กี่มื้อไอ้ห้องนี้คุยเรื่องการปฏิบัติความเพลินพยายามได้หอาข้อแล้วนะข้อที่หกก็พูดถึงเรื่องเรื่องสินมีสินกี่ข้อสิน้าสินแปดสินสิบสิสองร้อยี 8, ส่ 10, สิบเจ็ดมีอะไรบ้างหมงทีไม่เข้าใจ เพื่อสินแปกับสินห้าต่างกันตรงไหนอะไรเงี้ยก็ควยให้เกิดความเข้าใจทำไมต้องถือสินแปดสินห้าไม่พอเนยครับพูดเสร็จแล้วกันทีนี้เรพูดเรื่องสมาธิแล้วสมาธิจิตสงบไหมในคณินี้ด้ยในอัปปนาด้อุ ป, าอปจาระสมาธิขั้นต่อมาพูดเรื่องปัญญาปัญญาคืออะไร ปัญญาคืออริยสัจสี่ตายรักเนี่คือเรื่องของปัญญาไม่ใช่ปัญญาทางโลกอ่ะลงทุนซื้อทองกี่คราวนี้ซื้อทองดีหรือขายทองดีอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาทางการปฏิบัติเพราะปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่กับกับตายักเท่นั้นเองตอนนี้เราโลกหรือเปล่าเราอยากหรือเปล่า แล้วเวลาอยากว่าเกิดอะไรขึ้นใจทุกข์วิจัยไม่ทุกข์ <Yeah. S 1> แล้วคันป harma พูดถึงวิมุติแล้ยหลุดพ้นพอมีปัญญาแล้วก็จะหลุดพ้นปัญญาจะเป็นผู้ที่จะทำให้จิตหลุดพ้นได้พระพุทธเจ้าบอกว่าศีลเป็นผู้สนับสนุนให้ให้ให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิก็เป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดปัญญาขึ้นมา <Yeah. S 1> ปัญญาก็จะทําให้ จิตหลุพ้นโดยถ่ายเดียวบบุทขั้นไหนขั้นโสดาขั้นสกิดาคาขารนาคาเุดเมื่อรลุดพ้นแล้วก็ยานอย่างทราบขึ้นมาอ้อเราได้บรรลุแล้วเราได้หุดจากสังโยชน์ข้อนี้แล้วเราไม่ไม่ยึดไม่ติดแล้วนี่วิมุตติญาณะทัสนะเราก็องมาสาิตข้อนี้กัน ทางวันก่อนทางหลายวันมาแล้นเนี่ยนะครับหลายหลายหลายวันนะครับหลมยหลายสัปดาห์ประมาณเดือนที่แล้วครับอาจารย์อืมแต่ความจริงสัญญ่มันคอือจากการมา ค, ายคุยด้วยว่านี่เลยคนระับสารสารทุกสุขดิีด้วยกันใช่ไห่ครับเป็นยังไงบ้างลูกเต้าเป็นยังไงสารงานเป็นยังไงอะไรตะโกงทำเล่ากันใช่แต่ถ้าภาพเป็นภาพปฏิบัติ จริงๆกูบาอาจารย์ท่านคุยกัให้ท่านเนี่ยคุยเรื่องราวเหล่านี้เท่านเพราะมันเสริมมันช่วยส่งเสริมการปฏิบัติให้ให้ดีขึ้นบางทีจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่ได้เรียนรู้มา ก, ก่อนบองทีบางองค์มี อ, อุบายวิธีกําจัดกิเลสแก้ความม่วงมันกําจัดนิวรณ์อะไรต่างๆซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าท่านพูดแต่ก็โอ้ดีเว้ยเอามาใช้ได้ นะสุดหัวข้อนี้นะจาไว้นะอย่ามาถามอีกนะกรับขอคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับไม่ถามแล้ววันนี้จำจำจาได้แล้วรอาจารย์ได้เอไปใช้ให้ได้เลยนะครับผมครับผมครับผมถามของอาจารย์ท่านผ่นอย่างไรก็สาธิตนาทุกคุณลกตายคุณแม่วันนี้ก็มาฟังเทศจำอะไรเอากลับไปได้มวันนี้ได้ลระวัาสรขพระอาจารย์อืม เราพัวันนี้ได้เลยกับไปมันยําได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เลยม่รู้ประทับใจเลยไงรู้แต่ว่าบรรลุตัวเองบรรลุยากแล้วก็บรรลุช้าไม่ใช่พวกเจ็ดวันนะพวกเจ็ดชาตดนะแต่จะเจ็ดชาติค่ะเจ็ดชาดก็ดีใจแล้วค่ะพระอาจารย์ได้เจ็ดชาตดยังดีนะได้ยังน้อยโซดาขึ้นไปนะ ค่ะที่ที่พระอาจารย์เขียนเอาไว้ที่ให้กําลังใจว่าเอ่อเจ็ดปีค่ะทนย้อมเหนียวหน่อยเจ็ดปีได้เห็นผลเลยก็พออ่านก็ได้กําลังใจอแต่ไม่คิดถึงเจ็ดวันและเจ็ดเดือนนะโอ้คงคงไม่อะค่ะพระอาจารย์หนูว่าพี่ะเดางมันเลยก็ไปเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ไม่มีหวังด้วยกันสมัยก่อนยังไม่ได้พบพระอาจารย์นะไม่ไม่มีความหวังเลยด้วยค่ะว่า เอาก็ะทำทานไปแล้วกันเกิดมาจะได้ไม่อดอดอยาก<อ>าสะ <อา S 2> สมไปให้ใ น, <อา S 2> นก่อนเนี่ยค่ะพอมาเจอพระอาจารย์ได้พบพระอาจารย์เนค่ะก็จะมีฟังสอนมาเรื่อยๆก็มีความหวังที่ที่ที่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเราเเมุ่งมั่นนะนรับก็คนที่เขามุ่งมั่นเขาได้กันนชะ่ไหมลุงปู่มัน่นลุงตาครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยท่านก็เป็นเหมือนเราเนี่ยเกิดมาก็เหมือนกันลัวเขาเหมือนกัน แต่พอได้พบกับครูบาอาจารย์ได้สัมผัสธรรมของท่านก็เกิดศรัทธาขึ้นมานะอยู่ที่ศรัทธาเมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะมีความเพียงตามมาเมื่อก่อนหนูมองว่าเป็นเรื่องยากมากเลยอืมตอเรียนศึกษาแล้วมันจะไม่ยากมันก็เป็นของใกล้ตัวเรานี่เองถ้าถ้าถ้าได้ฟังขั้นกระบวนการที่พระอาจารย์สอนเป็นขั้นเป็นตอนนะมันดูไม่ยากอยู่ที่ว่า เราจะมีความเขียนได้แค่ไหนอ่ะใช่เริ่มต้นจากศีลห้าไปก่อนไล่ไปศีลห้าศีลแปดแล้วก็มาฝึกนั่งสมาธิครั้<ม>งลาสิบนาทีสิบห้านาทีเหมือนเด็กๆเกนี่ยไปค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนที้หนูก็ไม่ทราบเลยนะคะว่ายังมีอุบาสิกาผู้หญิงที่บรรลุธรรมในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะผมมาฟังจากอาจารย์เนะะี่ยค่ะก็เลยไปหาประวัติของแม่ชีแ ม, ม่ชีแก้ว กอเทวสุนหลวงท่านก็มีหลายรูปที่ท่านบรรลุกันดาไม่มีใครรู้กันกอวัสุนหลวงนี่หนูก็ได้อ่านหนังสือของท่านรู้จักธรามานานนะคะเพราะว่าสำนักชีบนวัดเขาบางทายอะค่ะอืูไปได้เจอนังสือสมัยเจ้าจอมสะดับอยู่กันจะมีนังสือจากกอวัดสุนหลวงค่ะมามาเยอะเลยแต่หนูก็ไม่เข้าใจอะค่ะอืไม่เข้าใจว่ามีความหมายอะไรยังไงมาพบพระอาจารย์ก็เลย ได้เรียนรู้ว่ายังมียังมีอุบาสิกาที่ที่ปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมได้ก็ทําให้เรามีกําลังใจใช่มันไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่บวญหรือไม่ได้บวญนะมันอยู่ที่มีศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่ามีอินทรีย์มีมีอินทรีย์ห้ามีพระละห้าหรือเปล่าศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานะค่ะออื ถ้ามีห้าตัวนี้ก็สามารถที่จะบรรลุผลมากผลได้ง่ายๆถ้าศึกษาธรรมะจริงๆมันไม่ยากแต่ไม่รู้ข้อเรื่องราต่างๆมามาหลอกมาล่อเราจนกระทั่งเราหลงประเด็นหลักนะเเรื่องพระเวทสันดรนะเรื่องพระเจ้าสิบชาติมาสอนนี่มันก็ <c oughs> มันก็เลยมั่วไปเป็นหมบางคนก็เมื่อก่อนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราบำเพ็ญเพียรไม่ครบบารมีสิบเรบารไม่มีโอกาสออกที่จะได้บรรลุเป็นอนิจจบุคคล อโอ้ันเมื่อไหรเมื่อไหร่จะมาจะมาฟังพระอาจารย์บอกนั่นไม่ใช่แล้วที่พระาอาจารย์เคสอนนะนั่นเป็นเอยุคที่ว่างมาพุทธศาสนาใช่ไหมคะเราพระอาจารย์ไม่มีใครสอนก็ต้องต้องต้องทาไปทำบารมีต่างๆไปทาทานไปรักษาศีลไปแต่ยังไม่รด้แต่ดังนี้ก็มีพระพุทธเจ้าบอกกางแผนที่นะเอาตรงนี้เลยอเอาแค่ห้าตัวเนี้ยเอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้ได้ห้าตัวนี้รับประการได้ S <S <S อนิสัยสมาธิปัญญาก็ได้นิทานสินภาวนาก็ได้เนี่ยเป็นทางอันเดียวกันนะจะหนูทําทุกวันเลยนะคะทําครบทุกวันทานสิลภาวนาเออีค่ะพอดีว่าลูกเขาเอาด้วยค่ะไปออทางเดียวกันมันก็เลยไปคุยภาษาเดียวกันได้ง่ายค่ะดีคุยรเรื่องสนับสนุนกันให้กําลังใจต่อกันค่ะเด็กกัญาณเขาเรียกกัญญาน้ำให้ที่ดี ค ม, มีผู้ที่ฝ่ายทําเหมือนกันมีรสชาติต้องการรสชาติแบบเดียวกันก็ไปกันด้วยกันได้แล้วก็ชวนกันไปว่าถ้าว่างเราก็ต้องไปที่หน้ากุติจะได้ไปพบกันอญาติธรรม ท, ที่คุยภาษาเดียวกันก็แล้วก็ได้กําลังใจกลับมาอื ม, มันเหมือนเรายังอ่อนหัดกับขาดครูบาอาจารย์ไม่ได้ <laughs> ก็จําเป็นถ้าเรายัางพึ่งตนเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ไปก่อน ดีกว่าคำไปแล้วหลงทางจะเสียเวลามากกว่าโอ้ตอนนั้นตอนนั้นก็หลงทางนะครับพระอาจารย์ทางนี้หลงง่ายนะค่ะอโอเคมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปใส่บาต ท, ที่ที่สลาค่ะแล้วก็จะขึ้นเขาค่ะอ๋อพรุ่งนี้ขึ้นเขาสามวันค่ะที่แรกไม่ค่ะหนูจะออกวันที่สิบเอ็ดค่ะอ๋ะอหลาวันหลายวันที่แรกทีแรกหนูจะไปวันนี้แล้วเขาบอกว่า เออกุด ไ, ไม่ว่างเรื่อนไม่ว่างเลื่อนก็เลื่อนมาวันหนึ่งค่ะโอเคเรื่องมาวันที่วันที่หกแล้วก็กลับวันที่สิบเอ็ดก็เลยว่าจะไปใส่บาที่ที่สลาค่ะก่อนนุตาลมาส่งเล ม, มาส่งค่ะไปส่งกับอาจารย์ก็เลย <Okay. S 2> จะไปใส่บาอาจารย์ด้วยค่ะอย่างนั้นเจอกันตอนเชา้าก็แล้วกันนะค่ะขอบคุณตามขอบคุณนะอ่าคุณยนะินดีก็มาแล้วมาถึงประเทศไทยแล้วอันนี้ ค่ะท่านอาจารย์ลูกไม่มีคําถามค่ะท่านอาจารย์เดวิดเพิ่งไลน์มาบอกก่อนที่จะเข้าสู้เนี่ยค่ะบอกว่าอย่าลืมนะส่งค่ะส่งความหวังดีให้นะค่ะบอลสองแก่ให้อาจารย์ด้วยนะค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ฝากความระลึกถึงท่านอาจารย์เสมอค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะค่ะขอบคุณท่าอาจารย์อย่างสูงค่ะลาทุกค่ะโอเค ไปที่คุณซันนี่ต่อแม่เข้าการเล่นมาสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มาร่วมฟังธรรมไม่มีคําถามค่ะแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ยิ่งโล่งอย่างไก็เลยก็พยายามพยายามเลิกอยู่ค่ะแต่ก็ยังฟังพวกที่แบบวิเคราะห์อะไรอยู่นะตอนนี้ทําใจหรือเปล่าต้องต้องทําใจใช่ใช่ค่ะต้องทําใจค่ะอไม่กล้าซื้อไม่กล้าขาย ใช่ค่ะบอกว่าจะพยายามเลิกแต่ก็บางทีก็เหมือนแบบว่ายังยากอยู่อยากซื้อสซตำๆอีกอะไรค่ะมันมันมันเป็นมันเป็นยาเสพติดนะพวกนี้มุกอบายมุกต่างๆมันแต่ว่ามันเหมือนนะค่ะใช่มันมันพอมันเล่นแล้วมันมันเลิกยากมันมาติดนะใช่ค่ะตอนที่หนูเลิกเล่นหนูก็แบบต้องแบบ ผักใจเยอะเหมือนกันแบบรู้สึกเลยว่าเหมือนยาเสพติดค่ะขนาดเล่นไปได้ไม่ไม่นานเนีแหลเือว่าออกมาแล้วแต่ยงไม่ดึงคุณแม่ออกมาด้วยนะก็พยายามดึงดึงอยู่ค่ะแต่แกก็บอกว่าฟังฟังไปอย่างนั้นแหละแต่พอฟังแล้วก็แบบอยากซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยอยากแก้มืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนการพนันเลยค่ะมีแบบอยากเอาคืนอยากแก้มืออะไรอย่างเงี้ยเวลาได้ก็อยากจะได้มากขึ้นเวลาเสียก็อยากจะได้คืนใช่ค่ะเดี๋ยวใส่มันก็หมดตัวก็พยายามบอกอยู่ว่าเออให้ให้เลิกดีกว่าอาจจะเป็นทางที่ดีกว่ายอมตัดยอมขาดทุนดีกว่าตอนนี้นีก็หมดเนื้อหมดตัวเลยค่พะเจย์ โอเคแกะขอบคุณคร อ, อาจารย์ม่ได้คุยเรื่องธรรมะเลยไม่ได้คุยเรื่องา <laughs> องบายามุกเลอย่าเล่นอาบายามุกเลยอยเสเป็นเป็นอุทาหรณ์เป็นเป็นอุทาหรณ์เตสติให้กระรมิท่านอื่นกับผ <laughs> <า>ู้ <laughs> ที่ฟังธรรมค่ะเอามานน้อยดีกว่านะยินดีตามมีตามเกิดอย่าโล่มากโลมากแล้วมักจะล่ามหาย โอเคไปที่คุณหมอสอสองท่านหมอใต้กับหมอแนะกล่าวนามสกาลพระอาจารย์ทำเรามาร่วมฟังธรรมเหมือนเหมือนเคยครับอมมีอะไรจะสมทบมอายมีอะไรจะแสดงสมทบบ้างไหมช่วงนี้ยังรักษาระดับครับสมทบเรื่องอะไรครับอาจารย์แล้วแต่เรื่องปฏิบัติเรื่องอะไรตามทอเลยครับก็พยายาม ก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าต้องนั่งสมาธิด้วยมีสติระหว่างวันก็นั่งสมาธิด้วยก็ทําได้แต่ว่าบางทีก็อายน้องๆในห้องครับยังทําไม่ได้ทุกวันครับบางวันมันยุงย่งๆกันเลยครับก็พยายามพยายามจะทําให้ได้ทุกวันนะครับพยายามทำให้มันเป็นนิสัยนะมันจะง่ายครับผ ม, ผมหนูก็เหมือนเหมือนเล่นกีฬาแล้วเหมือนเลีเลเล้ยงลูกยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ไม่ได้ก้าวหน้าแต่ก็คือเหมือนรักษาระดับอะค่ะพระอาจารย์ออ อย่าถอยหลังก็แล้วกันใะ่ไม่การหน้ากอย่าถอยนลังค่ะอันนี้ยึดยึดคํานี้พระอาจารย์ว่าจะอย่างน้อยก็รักษาระดับก็ยังดีค่ะค่ะพระอาจารย์ก็น้องนําปฏิบัติค่ะกับพอบคุณคุณคุณค่ะคุณเชลินทรนต่อเชลินทานพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้หนูก็ไม่มีคําถามค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์เฉยๆค่ะอืค่ะ เมื่อที่ที่แล้วไม่อยู่ไปต่างรัฐมาค่ะแล้วก็เห็นว่าการไปสุงสิงกันนี่มันวุ่นวายอะค่ะมันใช่เอคนยังตานาณาจิตตังมีเรื่องมาเล่ามาคุยมาอะไรค่ะหนูไปพอไปเจอเพื่อนๆหลายคนหนูก็ต้องแบบตาเราต้องคุยด้วยเหรอเนี่ยเราจะพูดอะไรเราพูดไม่ออกก็ฟังก็ได้ก็ฟังก็ไป แต่ ก, <ม>ก็สนุกดีค่ะนานๆทีแล้วก็กลับมาก็รู้สึกว่าตัวเองฟุ้งซ่านมากพอไปเจออะไรต่างๆมากมายก<ม>ลักบติ่งตามฟังธทำของพระจารย์นะคะยังฟังไม่ครบเลยเต็มไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์เทศได้เยอะมากเลยค่ะอมือ่อวานยังไม่ได้ฟังเลยค่ะเดี๋ยวจบจากนี้เราค่อยไปฟังค่ะโอเคถามวันนี้หนูก็ไม่มีคําถามก็ม no าแฮปปี้โนวเบอร์เดย์พระอาจารย์เหมือนกันนะคะขอพระอาจารย <Yeah. S 2> ์ทักษดากราบสักสักเท คุณคังชิดจากไต้หวันครับนรมัสการครับปอาจันได้ได้ยินครับพ็อดียากเรื่องแม่เสียครับปอาจย์ก็ได้บินกับไทยบินไปบินมาครับอืมตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ไต้หวันตอนนี้อยู่ที่ไต้หวันครับเพิ่งมาต่อแทกสุดท้ายครับเหลืออีกสามปีสุดท้ายครับครบ1ิบสองครับ สิบสองแล้วเขาไม่ต่อให้แล้วเลยถ้าถ้าโรงงานเขาเปลี่ยนเป็นกึ่งปีมือแรงงานก็จะอยู่ได้ตลอดครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็ได้กลับสิบสองปีครับครบสิบสองปีแล้วก็กลับครับยัง อ, อยู่ต่อหรือยากจะกลับหรือ ก, กลับครับตั้งใจว่าจะกลับไปครับครบสิบสองปีกลับมาแล้วจะมีงานทํารออยู่ไม่ต้องหาใหม่ว่าจะไปบวชกับป้าจานัน อ๋บวชแล้วเลยโอ้ดีดีมากบวชจริงหรือบวชแน่นอ่ะบวชจริงครับโอเคบวชจริงไม่ใช่ไปบวชแจบบวชก็บวชอะไรอย่างงี้ยไม่ครับอาจารย์ตั้งตั้งใจไปแล้วครับเพราะว่าไปเมื่อกี้ก็แม่เสียก็พอดีก็ไปงานแม่แล้วก็ก็เลยไปกราบหลวงพ่ออินเลยครับหลวงพ่ออินถวายที่วัดนายูน ก็ไปเจอท่านพอดีครับท่านออกจากกุฏิมาก็ให้พรแล้วก็โยนลูกอมให้ครับแล้วก็ได้รูปท่านมารูปหนึ่งครับหลวงพ่อกกอินครับไปแวะภู่ก้อนท่านบอกให้ไปแวะภูก้อนไปถ่ายรูปครับปู่ก้อนวัดปูก้อนวัดกาสวยใช่ไวัดวัดสวยครับ <c oughs> มีพระพุทธรูปใหญ่ครับพระพุทธ ร, ร, ร, รูปท่านอนนช่ไหมครับนอนครับอืม ก็ดีได้กลับกูบาอาจารย์ครับจะให้กำลังใจถ้าให้เรา ม, มีความยินดีที่อยากจะบวชเหมือนท่านครับผมตั้งใจมานานนะครับรอจะรอจังหวะอยู่ครับโอเคดีเดี๋ยวนี้ก็หมดภาละแลม่ก็ไปแนละ้วครับนี่ก็ครับวันนี้ก็วันพระก็เข้ามากราบพระอาจารย์ครับโอเคขอได้ทําตามที่ปรารนานะครับ โอเค <Okay. S 2> สาธุความพลาจ า, าย์ทาดคำแข็งแรงครับโอเคสาธุไปที่ปูเป้ต่อปูเป้จัดนมัสการค่ะพระอาจารย์าาาได้ยินยงนะคะได้ได้ยินดีอืมชัดเจนก็ค่ะ <c ười> พอหนูก็ไม่มีคําถามค่ะก็รื้อปฏิบาา <Okay. S 3> ัติกับพระอาจารย์เพียงแต่ว่าก็ก็่ะค่ะพระอาจารย์พอดีหนูปฏิบัติกับพระอาจารย์หนูก็เลยเห็นของดีเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ เพราะ่าช่วงแรกๆแค่ตกใจตรงที่ว่าระหว่างที่ว่าสันโดษนะคะพลาจารย์แต่พอปฏิบัติบจริงๆเห็นกิเลศ ก, กับธรรมเนี่ยแหละค่ะพลาจารย์แล้วก็เห็นภาพคล้ายๆภาพวงโกมีที่มีสีขาวกับสีดําอะค่ะพลาจาร์มันก็เลยแบบเห็นว่าโอ้โหมีแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะพลาจาร์พอรีประจิบไปเห็นอย่างนี้จริงๆของพลาจาร์กิเลศ ก, กับธรรมก็เลย หนูก็เลยเห็นพระอาจารย์เหมือนโค้ดเลยค่ะพระอาจารย์ที่แบบคอยแบบช่วยมึงอเนี้่ยค่ะจริงๆแบบอุช่าหนูทำคนเดียวหนูทำไม่ได้ะค่ะต้องมีครูบาอาจารย์ช่วยค่ะพระอาจารย์ในการปฏิบัติค่ะพระอาจารย์เนี่ยแหละค่ะที่หนูเจอแล้วหนูก็อปัจจุบันนี้หนูแทบจะไม่ได้ทานยาด้วยค่ะเพราะว่าใช้ธรรมะโ อ, อสถในปัจจุบันค่ะพระอาจารย์ก็เลย การที่จะบีเยนจับร่างกายเพราะว่าปกติทางยาเยอะมากเลยค่ะยารักษาทางกายแตปัจปจุบันฟังทำกลายเป็นว่าลุยทํางานต่อดได้ค่ะอาจารย์ก็เลยเสยๆกับร่างกายอาจารย์ไม่บวดเลยนะคันแคบจะไม่ทานยาเลยค่ะเลย ไ, ไม่าต้องการยาใจต้องการใจกลัวตายอะไรฮะยันยาให้ร่างกายกินจริงค่ะอาจารย์หนูเพึ่งเห็นของดีแบบสุดยอดเลยค่ะธรรมะโอโชด แทบจะไม่จับยาเลยค่ะพระอาจารย <มา S 2> ์ใช้เคยไปเลยหนูก็ลยว่าอกมันดีจริงๆค่ะพรอาจารย์ก็เลยบอกเป็นพยาบาลเนี่ยแหละค่ะกล้าผีเซ็งมากเลยเรื่องนี้ค่ะพอาจารย์ชื่อปกติจากผีเซ็งเรื่องยาทางกายค่ะพอได้ยาทางใจหนูก็กว่าจริงๆเพราะว่าหนูเจอผ่าตัดเยอะจริงๆนะพระอาจารย์ตอนแรกหนูก็ลดความค่ะพระอาจารย์ตอนแรกหนูนึกว่าลดความจะจบไม่ใช่คาะคลองมาสถานการณ์โควิดหนูมาสมองตั้งสี่รอบ ก็เลยลุยเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันเบิ่อตาแล้วมันเจ็บปวดกายมากค่ะพอที่ปฏิบ wow. ัติก oh. ับพระอาจารย์มันดันไม่ปวดตาเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้ของดีจากพระอาจารย์นี่แหละค่ะค่ะพระอาจารย์ดีสาธุสาธุอ่าไปที่คุณจุ๊บตาจุ๊บโกเบนามะสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าไปก็สวัสดีค่ะพระอาจารย์อ่า อาทิตย์อาทิตย์นี้ค่ะพระอาจารย์เพื่อนหนูค่ะอยู่ดีๆก็เสียชีวิตค่ะเพื่อนที่ญี่ปุ่นค่ะเขาเป็นล่ามอายุเท่ากันแล้วก็ไปคิ่าเขาจะตายใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งวันนี่ในเฟซบุ๊กเขาเขายังแบบอัพอัพชนแก้วกับสามีชนแก้วกับสามีชนแก้ววายนะะแบบไปครบรอบแต่งงานอยู่เลยค่ะพอวันรุ่งขึ้นกลับมีข่าวว่าแบบเอ้าเสียแล้วแล้วเขาก็แบบโพสต์ใน เฟซว่าเออเขาอีกอีกอาทิตย์ถัดไปเนี่ยวันจันรเนี่ยจะทํางานยาวแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะเขาเ ป, <ม>เป็นเป็นล่ามไงคะพระอาจารย์<ม>เป็นเจ้าของเพจอ่าล่ามไทยในญี่ปุ่น<ข>นะคบตายด้วยอ<ม>ุบัติเหตุเนอาตายด้วยเขาเขาแต่เดิมก็ เ, เป็นโรคอ่าแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองค่ะก็รักษายีสิบ ก, กว่าปีแล้วแต่คือคือเขาก็แบบดูปกติทุกอย่างนะคะที่ญี่ปุ่นเขาก็ดูโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ดูแลดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนไทยด้วยกันเลย เป็นคนไทยค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบโอคนเราเนาะเป็นอุตส่าห์พยายามทํานู่นทนํานี่ตั้งใจผนขวายหาหานู่นหานี่มาให้ตัวเองสุดท้ายพอตายไปก็เอาไปไม่ได้สักอย่างเลยหันกลับมามองดูตัวเราอะคะ่ะพระอาจารย์ว่าเออถ้าเกตายไปอย่างนั้นนะ่ะคือสมมุติถ้าแบบวันพรุ่งนี้เราตายขึ้นมาเนี่ย หนูว่าหนูต้องยังตกนรกยังต้องมาเกิดอยู่แน่เลยเพราะการปฏิบัติของหนูมันก็ยังไม่ถึงไหนนะคะพระอาจารย์มันก็เรีบทำซิเรีบทำจะเร่งทาบนเร่งปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะอาจารย์แล้วหนูมีหนูหนูก็ไม่แน่ใจทาไมทำไมปีนี้กับปีที่แล้วหนูมันมันไม่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์อย่างปีที่แล้วอ่ะหนูหนูหนูว่าหนูตั้งใจในการปฏิบัติมากกว่าปีนี้อีก แต่ปีนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้คะ่ะอยู่ดีๆแบบคือปีที่แล้วเนี่ยช่วงช่วงเข้าพรรษาหนูถือสิ่งแปดแบบแบบได้แบบหนูคิดว่ามันทำได้เต็มอะ่ะแต่พอมาเข้าพรรษาปีนี้คะ่ะพระอาจารย์ใจหนูลึกๆอะ่ะพอจะพ้นพรรษาหนูลิงโลดบอกไม่ถูกคะ่ะหนูก็สังเกตใจตัวเองนะคะทำไมทไมเราลิงโลดวะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ทำไมเราดีใจว่าจะพ้นพรรษาแล้วเราจะต้องจะต้องไม่ต้องถือศีลแปดแล้วอะไรเงี้ยทั้งๆ ท, ที่เราก็ทํามาตลอดแล้วแบบมันเหมือนมีสู้กันอยู่ในในใ น, ในใจอ่ะคะ่ะพระอาจารย์ก็เห็นอยู่อ่ะค่ะพระอาจารย์ก็แสดงว่าเราไม่ไม่มีสติครับไม่ควบคุมใจติเลมันก็เลยเออกมาเพ่นพ่านได้่สติมันน้อยทั้งๆ ท, ท, ที่ปีที่แล้วนี่แบบโอ้โหแบบรู้สึกว่าเข้ม <ừ. S 1> เข้มเข้มกว่าปี เข้มกว่าปีนี้แล้วทำไมเราปฏิบัติมาทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะพระอยอยู่ที่สติเนี่ยขึ้นขลงลงก็เพราะสติเนี่ยถ้าก็ถ้าสติดีก็มันมันก็ขึ้นถ้าสติไม่ดีมันก็ลงอืมเหมือนคันเร่งอ่ะสติเหมือนคันเร่งรถยนต์เนี่ยถ้าเราเหยียบมันลงไปมันก็วิ่งพุ่งไปเลยฮะถ้าเราปล่อยคันเร่งมันก็ถอยกลับทันที ถ้าเราไม่ควบคุมใจด้วยสติอยู่บ่อยๆ บ, บ่อยประละเลยลเนื้วก็กิเลสมันก็ออกมา응แต่ถ้าเราไม่ค่อยเสเติคอยคอยคุมอยู่ตลอดเวลาสติกิเลสมันก็ออกมาไม่ได้แสดงว่าปีนี้เราอาจจะไม่เหมือนด้ขี้เกียจกว่าปีที่แล้วขี้เกียจต้งสตไิไม่ไม่ได้ขี้เกียจเลยนะคะพระอาจารย์แต่มันเหมือนกับว่า อาจจะเป็นเพราะว่าเราคุยกับคนคุยกับคุยกับคนเยอะด้วยเจ้าขา่าวพระอาจารย์เอ่าก็มีส่วนเวลาคุยก็ไม่มีสตย์มันแต่ว่าคนที่คุยนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นพระอย่างเงี้ยนะะพระอาจารย์อืมมันก็เลยมันมันก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะเอคือเหมือนเหมือนบอกบอกไม่ถูกค่ะคือหนูก็เคารพแต่ว่ามันก็หนูก็ไม่ไม่รู้ยังไง ไม่อยู่เร่คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องโลกแล้วคุยเรื่องธรรมะมัคุยธรรมะค่ะพระอาจารย์อืแต่แต่ก็ไม่พอคุยอย่างเดียวก็ไม่พอเวลาไม่คุยก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจอยู่ในเรื่องอือเจ้าค่ะเราไม่ได้คุยทั้งวันทั้งคืนไม่ใด้เลยเจ้าค่ะก็ไม่ได้คุยทั้งวันทั้งคืนแต่แต่แต่ตอนนี้ก็คือหนูก็ไม่ไม่คุยแล้วนะคะพระอาจารย์เพราะว่ามอนเหมือนกับว่าเขาเป็นเหมือนท่านท่านเป็นสายเหมือนกับว่าให้ ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่คล้ายกับทางเราอ่ะคะ่ะพระอาจารย์อืมอืมเพราะแบบเหมือนกับประมาณว่าถ้าเธอปฏิบัติเนี่ยก็คือเราปฏิบัติได้ทุกเวลาอยู่แล้วอา่อาอค่ะปฏิบัติได้ทุกเวลาอยู่แล้วปบบหนูไม่ไม่ใช่อะ่ะบอกไม่ถูกคะ่ะพระอาจารย์อืมาอการปฏิบัติมันก็ถ้าเป็นการเจริญสติมันก็สามารถเจริญได้ตลอดเวลาอ่ะมันมาเลยทําให้หนูแบบ สับสนในหัวค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ ม, มาแต่ตอนนี้หนูก็กลับมากลับมาที่เนี่ยคะ่ะสายสายเราสายหลวงปู่มั่นสายสายหลวงตามา ว, ว่าค่ะพระอาจารย์ถ้าเราไม่หมั่นเจริญสติมันก็อย่างเนี้สจิก็จะฟุ้งซ่านไดค้ค่ะค่ะหนูฟุ้งซ่านหนูหนูยอมรับเลยปินี้หนูหนูไม่ดีเลยทําไม่ดีเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เราจะพยายามต่อไปคะ่ะพระอาจารย์คะ่ะ หนูขอความเมตตาพระอาจารย์คืออาทิตย์นี้ค่ะเป็นวันมีวันคล้ายวันเกิดหนูด้วยหนูขอความเมตตาพระอาจารย์อวยพรให้หนูได้ไหมคะเพื่อหนูจะได้ระลึกเวลาที่หนูท้อถอยในการปฏิบัตินะคะพระอาจารย์จะดุก็ได้เส้าขาพระอาจารย์กอเข้าอวยพรกันหนูหนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันหนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันห no นูไ่ได้ยินนะ ไ, ได้ยินค่ะหนูจะอะไรอีกหนูยังอยากจะกำมาเกิอะไรกัน หนูไม่อยากกลับมาเกิดแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ขอให้หนูเจริญในธรรมนี้ขึ้นไปก็แล้วกันหมายมีสติมากขึ้นมีศรัทธามากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นง่าดีไหมอ่นมี NC ที่แก่กล้าขึ้นจากอ NC ให้เป็นพละอ่ะอะเปลี่ยนอิน n ีห้าให้มันเป็นพละห้าขึ้นมา แต่ถ้ามีพระราห่าแล้ววิมุตติหยเพรุนก็จะอยู่แคกก่เอิ่มอยู่ภายในเจ็ดวั น, ว น, <ส>นเจ็ดเดือนเจ็ดปีพยายามหมั่นเริงอินทรีย์ห้านี้ให้มากขึ้นเจริญศรัทธาด้วยการเข้าหาพระธรรมคาสอนของพระำำออเจ้าให้มากขึ้นแล้วก็ทําความเพียรให้มากขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มากขึ้นเจริญสติให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้น พิจารณาทําให้มากขึ้นนะมันก็ก็ได้ก็ได้ครบห้าองคอันนี้นะ ค, คือเป็นพรทแท้จริงพรต้องก็อยู่ที่ตัวเราไม่ได้ที่คนอื่นคนอื่นให้พรเราไม่ได้ขอให้สุขให้เจริญให้ไปัญญานิพานเนี่ยพูดได้แต่มันไปไม่ได้หรอก เ, เราต้องไป็คนพาตุดพาตัวเราไปเองไปด้วยการสร้างอินทรีย์เนี่ยทั้งห้าในให้เราได้ครบบริบูรณ์ให้ได้ จ้าศรัทธาไม่ไม่มีกําลังเลยสงสัยในรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยศรัทธามั่นคงความเพียรก็ไม่มีความขี้เกียจเลยเพียรนั้งแต่เต้นยนหลับเนี่ยเพียรเดินจตราลสตินั่งสมาธิพิจารณาปัญญาเนี่ยเจ้าค่ะหนูจะน้อมนําเอาไปปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับก็ค่ะตาเหตุต า, าตโนนาเถรนะไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเอง เจ้าค่ะกลาวขอ บ, บ <Okay. S 1> พร ะ, ะ, ะคุณจ้อาอคุณบาลีเป็นไงคุณบาลีขอพรไหมไม่ขอแล้วใชไม่ขออะไรจากใครไนะทั้งนั้นใช่ไหลาวหลวงพ่อค่ะไม่ขอไม่รู้จะขออะไร็ค่ะขอทาไมไนะขอก็ไม่ได้อยู่ดีของที่เราอยากได้เราต้องทำเองเท่านั้นใช่ไหมถูกต้อง คนที่มีดวงตาเห็นทําน้องจะไม่ขออะไรใครเพรายู่าอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละอัตาเห็นตนนั่นนะทุนหนูพ่อหนูก็ไม่มีอะไรจะมาน้อมถวายมุตบิตาหลูงพ่อแต่หนูก็ขออถวฏิบัติบูชาแล้วกันอปฏิบัติบูชาปฏ้บดีที่สุดค่ะค่ะแล้วก็เห็น เห็นเห็นคุณในคําสอนของหลวงพ่อค่ะเชื่อว่าให้เจริญสติในชีวิตประจำวันนะคะหลวงพ่อ mm hmm. แล้วพอเราทำํทำทาตามให้เยอะๆเออให้เยอะๆอะค่ะหลวงพ่อมันมันมีคุณแล้วก็มันมีประโยชน์มันเห็นผลแบบเห็นแบบอศัศจรรยในใจเราเลยอะค่ะหลวงพ่อเขาเขาเหมือนสติที่เหมือน เพเป็นสติที่เหมือนเป็นยามที่เฝ้าเฝ้าจิตเราดูจิตเราอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วพอเรามานั่งปฏิบัติสั่งนลวงพ่อก็ก็เห็นเห็นสิ่งที่แปลกแปลกค่ะหลวงพ่อหมายหมายพวามว่าไม่ได้เห็นภาพผีหรืออะไรแบบนั้นนะคะคือหมายถึงเห็นความจริงที่ที่เราได้จากการปฏิบัติสับสนลวงพ่อเราจะเห็นนอกจากมันจะแยกกายแยกเวทนาแยกจิตเราแล้วค่ะหลวงพ่อมันยังเห็นเห็นว่า ผู้รู้แล้วก็ไอตัวรู้เนี่ยค่ะมันหลงเห็นว่าไอตัวรู้เนี่ยมันไม่ใช่เราอะค่ะหอแล้วพอมันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติเนี่ยมันจะมาตัดตัดไม่ให้เรากระโดดเข้าไปยุ่งอยู่ในความคิดขันนั้นนะจ๊ะหรือว่าเราจะทําอะไรเนี้ยค่ะแล้วจิตเนี่ยมันจะเหมือนมีสมานที่อยู่ตลอดเวลามีสติํากับอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะหมอแล้วจิตมันก็ไม่เข้าไปทุกกับสิ่งที่ ในความคิดที่เรามันสั่งมันคิดคือมันจะเห็นความคิดที่มันเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันเหมือนคนคนที่ดูความคิดอยู่ตลอดตรงนี้พอหลนูนเห็นความแตกต่างตรงเนี้ยหลวงพ่อและยิ่งยิ่งพอสุดสติได้มากๆในชีวิตประจําวันนะคะหลวงพ่อพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะดูเขาจะดูของเขาเองแล้ว แล้วมันจะเป็นอยู่ตลอดเวลาหนูก็เพิ่งเข้าใจว่ามันสามารถฝึกได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างนี้นนะคะ่ะหลวงพ่อแล้วจิตเนี่ยเวลาไปปฏิบัติสมาธินี่ยค่ะมันจะวิ่งดิ่งเข้าไปเลยโดยที่ว่ามันจะเหมือนเป็นกําลังให้เราได้มากมากเลยะคะ่ะหลวงพ่อหนูหนูก็เลยจะน้อมถวายการปฏิบัติของหนูถวายบูชาคุณของหลวงพ่อคะ่ะก็ดูความคิดเห็นเกเรที่เราต้องระวัง อย่าปล่ให้มันคิดไปในทางกิเลสอย่าคิดไปในทางปัญหาความอยากต่างๆมันมันก็จะเห็นความคิดแล้วมันก็จิตมันก็จะไม่ออกไปอยู่ตรงนั้นมันก็จะกลับมามาอยู่กับตัวเราอย่างเนี้ยค่ะแล้วพ่อมันทำรู้เฉยๆสักหนึ่ว่ารู้เฉยๆค่ะหลวพอมันก็คือเหมือนที่มองผ่านมาผ่านไปรู้แล้วมันก็ตัดแล้วมันก็ดับไปตรงนั้นนะค่ะหลวงพ่อดีถูกต้องแล้ว ไม่หลงอย่าไป้องสังขารอย่าไปหลงตามความคิดค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยมอนเห็นเห็นอะไรแฟงกหม่เข้าในใจแบบโอ้ขนาดนี้เลยเหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ใจก็ใจก็ดีแล้วก็จะปักไปในในการที่จะพยายามปฏิบัติเข้าัไปในังทกต่าน มีสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานใครจะมาโผมละหลอกเราไม่ได้ใครจะมายืน่นเงินยืมทัองให้เราไม่ได้หรอกจะหลอกเรว่าหลอกให้เราทรํานู่นทํานี่แล้วจะให้เงินเราเนี่อาจจะรู้ว่าเป็นของหลอกนะัเป็นทุกข์ทั้งนั้นอย่าไปยุง่งเลยนะหลอกข้าวันนี้ วันนี้ก็เป็นวันใล้วันเกิดอยูแต่หนูก็ไม่ได้ขออะไรค่ะหลวงพ่อขอก็ไม่ได้อยู่ขอทำไมค่ะหลวงพ่อขอได้เป่าขอได้ก็ดีไม่ต้องวันนั่งปฏิบัติให้เหนื่อยยากนอนวันเกิดแล้วก็มาขอเป็นนิพพานนะช่วยพาเป็นนิพพานหน่อยค่ะเหมือนถ้าถ้าขอแล้วมันไม่ลงมือมันก็เหมือนฝันฝันเป็นลมค่ะหลนงพ่อมันก็เพื่อเจริขอแบบเพื่อเจริ เลยไม่ไม่ได้ขอไม่ได้ขอข อ, อะไรคร<อ>ับ<ะ>ต้องพึ่งตนเองทำาน้ต้องพึ่งตนเองถ้าเป็นเงินทองเนี่ยอาจจะขอกันได้บ้างโอเคนะถ้าุกสารมันเกี่ก็แล้วกันขอว่าคุณหลวงพ่อเาว่าค่ะก็ะให้ให้หลวงพ่อพาฉันแข็งแรงด้วยนะคะรักษาสุขภาพอ่าไมที่คุณฟังว่าอะไรต่อ ก่อนมัสการเจ้าขาชอบไม่มีคําถามค่ะหนูสนว่าหนูจะปรินยาตีจากพระอาจารย์ลเรื่องเรื่องความโรู้นะคะเป็นญาโทก็เป็นเรื่องปฏิบัติเป็นยาเอกก็เป็นเรื่องของการบร <Okay. S 2> รลุธรรมโอเคเดโยวปฏิบัติค่ะทำเลยทำให้ได้ปรินยาเอกนะค่ะสาธุค่ะข อ, ขขอพบพระคุณค่ะอ่าคุณมาิการเด็กหมดเด็กอ่อนครับอาจารย์แป๊บนึง อ่าพูดได้เลยจ้ะแต่แล้วันกาค่ะพรอาจารย์เบ็ดมันเบ็ดมันหมดแบตใกล้จะหมดแล้วเหรอเบ็ดโลค่ะเสียบชาร์จได้ยังอ่าเสียบแล้วก็ยุกก็ปฏิบัติอยู่นะพ่ะอาจารย์ก็ในเรื่องของการที่ว่าพอตัวเองเผชิญกับ การติดถิดนะคะผู้อาวุโสการปฏิบัตินั้นบางครั้งก็อยากจะให้ได้ดังใจก็คือนั่นคือความยากก็ก็เข้าใจในจุดนั้นว่ามันมีความอยากเห็นหุทธาอุสาขึ้นขึ้นเขา่าก็อยากอยากขึ้นเข่าแต่ว่าก็าบอกแล้วว่าการปฏิบัตินั้นอยู่ที่ตรงไหนก็ได้พยายามทําทําทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็คือว่าหนึ่งแล้วโอเคที่สุด เวลาปฏิบัติแล้วพระอาจารย์ก็มันก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของตอนที่ว่าสติของเรายัางววกเวกค่ะพระอาจารย์ตรงนี้ยังมีปัญหาอยู่ค่ะก็ต้องพยายามทำให้ดีขึ้นนะไม่มีคำถามเล้วค่ะโอเคถามต่อปที่คุณบัวต่อบนน้องคาย ยังไงแฟไม่อยู่เลยอยู่เจ้าค่ะอยู่ข้างนอกเจ้าค่ะเราไม่รู้เรื่องอะไรไม่หวังพังเลยค่ะ<ม>พอดีการเดินทางเหนื่อยเจ้าค่ะได้<ม>ได้ไปการมรดการพระอาจารย์วันเกิดเขาก็ประทับใจเจ้าค่ะยุค<ม>รู้สึกว่ามีคําถามไม่อยากเดินทางก็รู้สึกเป็นทุกข์เจ้าค่ะเลยไม่รู้จะไปขอพระอาจารย์แนะนําเจ้าค่ะก็อยู่ที่เหตุการณ์ได้ มีเหตุการณ์แล้วต้องทำก็ทําไปถ้าไม่มีเหตุการณ์ก็อย่าไปอย่าไปทําอยู่เฉยๆได้ก็อยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ยังต้องทําก็ทําไปตามตามเหตุการณ์อืมเพราะฉะนั้นเราก็จะก็จะมีปัญหาทั้งกับตัวเราเองทั้งกับคนอื่นด้วยใช่ค่ะอืมมันรู้สึกเหนื่อยดค่ะแต่ก็ใช้หลักทำไปทุก ทุากกิเลสบทไปก็น่าจะช่วยได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช้สติไปพุโทโธพุโทโธไยายาคิดมากเจ้า ค, ค, ค, ค, ค่ะยิ่งคิดก็ยิงเคียดเจ้าค่ะที่มันทุกขั้ทุกพรความคิดของเราไม่ใช่เพือพ่ออะไรนะเจ้าค่ะ ค, ค, ค, คิดมากเกินไปจ้าค่ะ ค, <connect ed> คิดต่าที่ยงเป็นก็อเจ้าค่ะโอเคทำท้าที่ยังเป็นต้องทาถ้าไม่ยาเป็นต้องทาก็ไม่ต้องทา เจ้าค่ะอืมเรายังมีหน้าที่อยู่เรายังต้องเกี่ยวข้องกับคนนะั้นคนนีอยู่ถึงเวลาเราทําหน้าที่ของเราเราก็ทำไปเจ้าค่ะไปไม่อยากทํามันก็จะทําให้เราทุกข์ไปเ บ, บาๆไม่เกิดไปรยชนอะไรเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าถ้าเราอยู่คนเดียวเราสามารถเลือกได้จะทำไม่ทําเป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นมีหน้าที่ต้องทำกับเขาว่าต้องทำกับเขาไป เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะมีเจ้าหนี้นะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะต่อไปคุณจอยใช่ไหมวันนี้เจอเป็นสามรอบเลยนั้งแต่เช้าบ่ายเย็นเลยนะเก็บหมดเลยค่ะเช้าว่าส่บาตรบ่ายก็ฟังเทศนักสมาธินี่คำก็เข้ามาสนทนาธรรมต่อ ทางนี้ดีที่สุด <Yeah. S 1> ค่ะยน่ใจนะไม่เปลี่ยนใจนะไปเปลี่ยนค่ะรอพาวนาให้ลูกโตเร็วๆแล้วก็จะได้แบบหมดหน้าที่ทางกับแม่จะได้บอกเขาตลอดว่าถ้าเ้าโตอ่ะแม่แม่จะไปเข้าวัด uh huh. เขาก็เข้าใจกันเพราะว่าทุกวันนี้คือหนูชัดเจนมากคือที่ป้าให้หนูไปซื้อปลาเขาบอกให้หนูสั่งปลาปลาเป็น ให้ข้าวปลาเป็นหมอว่าชี้ๆแลฝั่งหนูบอกว่าหนูไม่ทําอ่ะถ้าใช้หนูก็ได้แต่ปาตายทั้นแหละอืะจนตอนนี้ไม่ใช้หนูซื้อเลยเดย์รักษาศนไดไสสนใ้ให้มันคงแน่ค่ะแต่ก็ยังมีรเรื่องแบบมุสาแต่ว่าหนูก็พยายามแบบไม่ไม่น้อยที่สุดจะไม่ไม่พยายามนอกจาแบบเหมือนแฝงเนี่ยค่ะชอบมาถามอะไรเงี้ยตอนนี้คือเขาไม่ดอยู่นหนูใช่ไหมแต่เขาก็โทรมารู้นี่นั่นหนูก็แบบถามอะไรอยู่ตลอด ก็พยายามพยายามปฏิบัติให้ให้ให้ได้ให้ดีที่สุดค่ะอ่าก็หันมาม่พูดบ้างก็ได้เฉยๆไปถ้ามันหูวโง่ไปบ้างฮะ่ะว่าไงนะฮะฮะไม่ได้ยินมันมันด่าเขาจ้อต้องปล่อยมันด่าไปเลยมันก็มึงกนหอกก็แบบออเแล้วแล้วก็เล่าฟังไปอแต่เราไม่ต้องตอบก็ได้ไม่มีใครมบังคับให้เราตอบได้ถ้าเราไม่อยากจะตอบ แต่ว่าเมื่อเช้าแม่แมไปใส่บาตรแม่ปิติใจมากค่ะอ๋อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเ น, นี่ห น, นูเลยแม่อยู่คนละหลังกับหนูค่ะหนูอยู่กับแล้วแม่อยู่อีกบ้านหนึ่งอยู่ใกล้ใกันอยู่ใกล้ใกันค่ะหนูเป็นคนที่ไหนเน่ยคนที่ถัดริ้วเอากันค น, ปปนแปดริ้วเลยใช่ค่ะ <ties. S 1> แต่ว่าพอเขามาทํางานแล้วหมอก่อสร้างที่นี่ก็เลยมาอยู่นี่กันหมดเลยนั่นแต่กใกล้เลยหนูเพิ่งมาอยู่นี่ไม่ค่ะหนูมาอยู่นี่ตั้งแต่ตอนเด็กๆ ลูกอยู่ประมาณป2อะคะ่ะหนูย้ายเข้าอยู่ที่อือมาหางานทําที่นี่ก็มาทํางานกันที่บ้านนะคะทาํางานแล้วก็กทําทํางานแล้วก็ตอนหลังมาก็ทําอยู่อ่ะแล้วก็แฟนเขาก็ไปไปกลับไม่อยู่ดีวยกแล้วก็เกิดเกิดความทุกข์มากมายหนูก็เลยมาเจอพระอาจารย์เนี่ยแหละคะ่ะเหมือนดวงจัดสรรไงนหนูกหน็หนูเข้าเฟซบุ๊กหนูเห็นรู้พระอาจารย์ว่าเอ้าอยู่ญญวัดยานวัดยาม ใกล้กลเราแน่เลยหนูก็เลยต้องเขาก็เลยแนะนําว่ามาม า, มาใส่บาทสิอืมหนูก็เลยมาทำตลอดแล้วทำแล้วมันจิตใจเราดีขึ้นนะคะอืมทามากี่ปีแล้วเนี่ยมาที่นี่ที่ตั้งกี่ปีมาตั้งแต่หนูอายุสามสิบห้าตอนนี้สี่สิบแล้วห้าปีนะ อ, อ่เ อ, เอปีนี้สี่สเอ็ดเหรอคะสี่เอ็ดอาวมาใส่บาทก่อนน่ะมาใส่บาทใส่บาทแล้วก็ สร้างใส่บาทหลังมาก็เริ่มแบบก็ดีแล้วก็มาพันี้ก็เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมมาเพิ่มเรื่อยๆเลยครับไม่ไม่มีลดแต่เพิ่มค่ะพยายามแบบเก็บแบบทุกวันพักเก็บอย่างให้ได้ทั้งหมดแล้วถึงทำชนะรถทั้งปลือใช่ไหมใช่ค่ะคื อ, อจากจากที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันทุกข์อะแต่ว่าทำมาทําให้เราไม่ถูกได้ไม่ถูกเลยมันมันน้อยมากะคะก่ะ ว่าเราไปทําตัวรอยให้ทุกเองไม่มีใครเขาทำให้เราทุกข์สักหน่อยแล้วที่หนูบอกว่าจ้าว่าเออทำามหนูทุกน์หนูก็ไม่คิดขึ้นได้เออมันคือเรานี่ที่ทําให้ตัวเองเราทุกข์เองหนูก็เลยถือว่า<อ>นิ่งเฉยเฉยนี่เ่าแบบเขาจะพูด<อ>ใส่เขาไปใช่จะเฉลยเพิ่มไดใช่ค่ะได้สติขึ้นมาค่ะอโอ้ทุกอย่างมันคือตัวเราอยู่ที่เราเ<อ>ใส่ใจหรือไม่ใส่แค่นั้นแต่ทำใจเฉยาสบาย แล้ววันนี้นั่งสมาธิก็คือดีแล้วตอนแรกหนูคิดว่าหนูนั่งดีแล้วมันก็พองุกเหมือนตื่นเหมือนหนูหลับหรือยังไงไม่รู้ค่ะ mm. ในพวงไปแล้วหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งใหม่ก็โอเคก็ดีขึ้นไม่ไม่รู้สึกแบบไม่เหน็บไม่ชาไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรค่ะ mm. ดีขึ้น <c oughs> นั่งได้นั่งได้สบายขึ้นตอนนี้ใช่ค่ะนั่งได้สบายขึ้นมาอว่าแต่ว่า ถ้นั่งอยู่ที่บ้านเองก็นั่งไม่ได้นานเหมือนมแบบแบบแบบันั่งแป๊บๆก็นี่เพราะว่าลูกก็เรียกแม่อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเข้าวัดอ่างนีถึงจะพอได้อยู่ตอนนี่้ทุกคนนั่งกันหมดไม่มีใครยุ่งกับอะไรแต่หนูคิดแล้วว่าเดี๋ยวเดือนปีใหม่หนูจะไปเข้าวัดอีกค่ะโอเ ค, อเคไปอยู่ไปไปไปไปจะ บ, บททัดทำเลยใถ่ค่ะไปที่วัดยานเนี่ยแต่ว่าอันนี้คงไม่ได้ขึ้นข่าเพราะว่าเพื่อนบอกจะไปด้วยไม่รู้เขาจะไปหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวร อ, อ ค, คนโตกลับมาจากเชียงรายก่อนนะคะ งปหมยคนเยอะนะถ้าอยากจะเข้ามาต้องจองไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูโทรไปจองก่อนค่ะอืมค่ะโอเคสาธุนะคุณ ม, ม, มาร์ชุทัชนะน้ำมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะรูปไม่ไเจ้าค่ะสบดีสบายดียดเจ้าค่ะโอเคไม่ทุกข์กับอะไรนะไม่ทุกข์เจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ โอเคดีมา ก, การักษาจิดให้ให้เย็นให้สบายให้สงบเจ้าค่ะขอบระคุณครับทุกคุณปุ้ยคุณปู้รักสัมเบิกการน้ำมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีไหมคะเคยยินคุณปุ้ยไหมเกยเห็นเห็นอยู่แล้วถามทำไม กับกับมุทิตาพาจาญเจ้าค่ะมุทิตามตาปว่าอะไรมุทิตามว่าอะไรจาจิตหมายถึงเหมือนกับเหมือนกับสวัสดีวันเกิดอะค่ะอะ่มูทิตาเนี่ยก็ยินดีกับความสุขของผู้อื่นอ๋อค่ะโยมก็เห็นเขาเขียนอ๋อสงสัยว่าเพร่อสาปะ เขาไม่ใช่ Happy Birthday เขาใช้มุติตาเนี่ยมันดึงในพระมิหารสีไงเมตตากรุณามุตมิตาอุเบกขาดูไหมพระมิหารสีมีมีอะไรบ้างเมตตาเป็นยังไงออืคำนี้เข้าใจเลยเพราะเพราะเพราะโยมาจําได้ว่าโยมเจอพระอาจารย์พกคํานี้แท้ๆเลยเพราะว่าเมื่อห้าปีกว่าเกิดหกปีกว่ า, ว า, วาที่โยเจอพระอาจารย์ะ เพราะว่าโยมมีความทุกข์ทางใจและพระอาจารย์เขียนนะอในโพสต์เกี่ยวกับการให้ความเมตตาโยมสะดุดใจมากโยมก็ตามอ่านตลอดเลยและเธอโยมก็อกเอ๊ะทำยังไงถึงจะเจอพระอาจารย์ได้แล้วพอดีโยมเข้าไปวันนึงโยมไปดูที่เขามีไลค์อ่ะที่ไลค์ไลค์เอ่อที่พระอาจารย์เทศอ ى, เทศหน้าหน้าบุติีอ่ะฮะและโยมว่อะและโยมพระอาจารย์ก็บอกว่า จะมีทุกวันพระและทุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้โยมก็ตามมาตลอดเนี่ยโยมก็ชอบมากเพราะคำนี้เลยค่ะโอเคเมตตาแปลว่าอะไรเมตตาก็คือการให้ความเหมือนกับอย่างโยมอย่างเนี้ยคือโยมอโหสิกรรมให้คนคนนี้แล้วโยมก็ให้ความเมตตากับเข า, เาคือหเหมือนกับเราไม่โทษโกรธกันแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วมีนอกจากให้อภัยแล้วมีอะไรเมตตามีอยู่เสียสี่อย่างด้วยกันที่ส่วน่วนได้จำได้หรือเ่าอุเบกขาไม่เมตตาเนี่ยมีอยู่สีข้อด้วยกันจำไม่ได้อ่ะพราจารย์อาเวลาหุนตุใช่ไหมที่ส่วนเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใชอา บ, บยาเอา บ, บยาปชาหุนตุไม่ว่าอะไรไม่เบียดเบียนกันะ อานิคารหตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจสุขีอัตนงบาลีหาลันโตให้ความสุขกันเนี่ยเมตตามีอยู่สี่ข้อด้วยกันเข้าใจไหมยอมยมเข้าใจค่ะยมจำภาษาบาลียมท่องสวดมนต์ได้แต่ทีนี้พอว่ายแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋าแล้วเวลายมยมมาประพฤติามพระอาจารย์สอนยมก็จำได้ว่า ถ้าเราอ่ะให้ อ, อโหสิกรรมใครแล้วเราต้องยื่นมือยื่นใจดีๆเหมือนอย่างกับคนคนหนึ่งตายเขาโกรธเคืองเราเขาแกล้งเราเ อ, อ่อเราก็ อ, อโหสิกรรมให้เขาส่งบุญไปให้เขาอย่างเงี้ยโยมก็จําได้อย่างเออตมตตาถูกต้องกรุณาแปลว่าอะไรกรุณาก็คือการให้มือที่ดีให้ใจที่ดีนะคะให้ความสุขให้ความช่วยเหลือเขา บรรเทาความทุกข์บรรเทาบรรเทาความทุกข์ยากหนึ่งน้องไงสงสารเขาพูดง่ายๆฮกรุณาก็เห็นใครก็ตอบทุกได้ยากกรสงสารเขาไม่ใช่ใจจืดใจดำไม่ใช่เรื่องของกูไม่างนี้ไม่ได้นะพระอาจารย์และสมมติว่าถ้าเรากรุณาคือว่าเหมือนกับที่พระสอนบอกว่าทําบุญให้ถูกคนอ่ะถ้าเกิดเราเรากรุณาเราเลือกคนได้ไหมก็ ถ้าเป็นสัพเพสัตตานก็ไม่ได้ถ้าเราเป็นคนแบบว่าใจกว้างแล้วก็ใครเดือดร้อนก็ช่วยมันหมดแม้กระทั่งนักโทษก็ช่วยมันค่ะมันตาำรวยเวลาไปยิงจับนักโทษมาจั บ, จ, บจับผู้ร้ายมยิงบาดเจ็บเขาเองก็ไปรักษาพยาบาลเลยไม่ใช่ว่าเอาเป็นนักโทษกูไปรักษาพยาบาลมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น mm hmm. คือถ้าช่วยเหลือในหลักพื้นฐานน่าอยู่ปัจจัยสี่ เช่นเขาไม่มีข้าวกินเนี่ยต่อให้เขาเป็นศัตรูกับเราเราก็ต้องให้ข้าวเขากินจริงค่ะถ้าเราอยากจะมีความเออตั้งแต่โยมมาปฏิบัติกับพระอาจารย์เนี่ยโยมรู้สึกว่านิ่งขึ้นเยอะตั้งแต่โยมถอยออกมาจากงานแล้วก็มาตั้งจิตอธิษฐานมาปฏิบัติถือศีลถึงโยมจะได้เงินน้อยลงแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าใจโยมเนี่ยมันฟูขึ้นแล้วก็ มันสงบลงแล้วมันมีสมาธิมากขึ้นจะมาช่วงเนี่ยมาช่วงสองสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยโยมโดนเหมือนกับโดนกิเลสเล่นหรือไงก็ไม่รู้พระอาจารย์เหมือนมันเหมือนกับว่าจะนั่งสมาธิแล้วมันจะต้องมีไอ้นู่นมาติดตรงนี้ไม่สบายตรงนู้นตรงนี้เหมือนกับเป็นภูมิแป้อะไรอย่างเงี้ยทํานองเงี้ยค่ะแต่โยมก็พยายามจะเอาชนะกิเลสเอาชนะกิเลสตัวเองนะคะ โยมโยมก็พยายามเหมือนกับทําอย่างที่พระอาจารย์สอนว่าให้พุทโธเพราะโยมสังเกตดูนะเอเมื okay. ่อสองวันที่แล้วโยมพุทโธพุทโธพุทโธทุกขนาดเวลาเลยพอเวลาโยมมานั่งสมาธิจิตมันมันนิ่งมันสบายแต่เม uh> hey ื่อเช้าเนี้ยโยมฟังพระอาจารย์ตอนที่พระอาจารย์เทศน้ากุติอ่ะเโยมรู้สึกมันเหมือนกับมีอะไร เขาเียกกิเลสมารหรื อ, อไหล ม, มามาสะดุดโยมเหมือนกับทําให้โยมมีอะไรมาติดจุกที่คอหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยบางทีโยมลาคาญอะโยมบอกโยมไปหาหมอและโยมกะจะไปหาหมอแล้ต้องทําอุเบกขาทําใจเฉยๆจะเกิดก็พิจารณาเป็นอั น, นิจ้ตงเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาเองได้เดี๋ยวมันก็ดับไปเองได้จริงค่ะเพราะว่าสักพักหนึงอย่างเงี้ย พอเอ่อปล่อยไปสักท่านาทีสิบนาทียมฟังเทศพระอาจารย์แล้วมันก็หายไปเลยและมันก็สงบค่ะยมยมก็ไม่ไม่ออกไปไหนแล้วอยู่กับพระอาจารย์เนี่ยแหละเอ่อถือศีลอย่างเนี้ยแหละเอ่อยมเอ่อกลางวันขอศีลเจ็ดแล้วก็เย็นขอศีลแปดเดี๋ยวยมถูกสามสิบล้านแล้วศีลแปดหมดเลยเอาไปทำไม้งสามสิบล้านตายไปก็ไปไม่ได้ยมจะไปช่วยคน โยมจะไปช่วยพระ <laughs> ไม่ต้องไปช่วยท่านแล้ว <laughs> ตรงสารโยมสงสา ร, รพระเมืองไทยจริงๆนะโยมทุกวันนี้โยมบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยหลายคนเลยที่ยังลำบากเยอะค่ะพระอาจารย์ยอยมูดูแล้วโอเคมีเท่านี้นะค่ะอาจารย์โยมมารับพลังโยมไม่มีปัญหาอะไรค่ะ โยม <S 2> <S 2> <S ตั้งจิตอธิษฐานแล้วที่จะปฏิบัติธรรมและตอนเนี้ยโยมจะเร่งปฏิบัติเพราะว่าวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นวันเอของพระหลวงปู่มั่นท่านโยมก็จะปฏิบัติถวายพระอาจารย์และโยมก็ถวายหลวงปู่ท่านเพราะว่าโยมไม่มีของขวัญอะไรหรอกโยมก็ถวายการปฏิบัติบูบชากับพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วโยมก็ถวายกับหลวงปู่มั่นท่านด้วยเจ้าค่ะแล้วเยวค่ะ ขอขอพลังพระอาจารย์อย่าให้โยมขี้เกียจนะเออให้มีพระละหา้ามีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานะสาทุเจ้าค่ะ<อ> <ถา S 1> ทูเจาคาขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงเจ้าค่ะสาธุสาธุอ่าไปที่คุณดิษยาต่ออันนี้กุณแม่ไม่ได้เข้ามาเลยแล้วอยู่คนละที่ คุณแม่ขึ้นเขาค่ะไปอ๋อ oh, oh, ใช่ใช่เ่งแบบเป็นการใี่เราใส่บานค่ะพระอาจารย์อ๋อแฮปปี้โนเวอรย้อนหลังค่ะพระอาจารย์โอเค <'ll> ครัคือจริงๆเรื่องเรื่องปฏิบัตินะคะพระอาจารย์จริงๆหนูได้มีความก้าวหมายถึงว่าถ้าเทียบกับตอนเริ่มต้นมันก็มีความก้าวหน้าค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกอะไรพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่าตรงนี้มันเอาไว้ แบบบอกแล้วก็แปลกแๆค่ะคือไม่กล้าไม่กล้าบอกรู้สึกว่าถ้าพูดเรื่องปัญหาหารือถามอาจารย์น่าจะดีน่าจะดีกว่าหมายถึงว่าเกิประโยชน์กับหนูมากกว่าค่ะอาจารย์ก็แล้วแต่พูดได้ท้านอ่ะพูดให้ให้กาลังใจคนสอนบ้างก็ดีเหมือนกันอ๋อเหรอคะอาจารย์ <c ười> <c ười> คนสอนได้ไม่กําลังใจเอ๋อไม่ได้สอนคนหูหนวกนะว่าเพราะว่าบางทีแบบว่าเอ๊ะกลัวว่ามันไม่ใช่ที่แบบว่าแบบ บอกที um, ่จริงหนูได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าอพูดมาบ้างสิจะได้กำลังใจเก็บไว้เท่าไหเอออย่างเช่นแบบว่าบางทีมักแบบตอนที่หนูแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูเข้าเข้าแบบขับรถแล้วเจออุบัติเหตุคือมีมีตำรวจมาล้อมยิงอะค่ะเป็นสิบนายเลยค่ะเขานึกว่าหนูแบบว่าขายยาเสพติดเขาเขาไปเขาเรียกอะไรอะคะจับผิดตัวค่ะแล้วเขาก็มาจแพ้เลยใช่ค่ะ แล้วก็เหมือนเหตุการณ์เหมือนป้นทองสง่าโปรโลค่ะเขามากันแบบนั้นเลยค่ะแต่ว่ามันมหัศจรรย์มากที่หนูใช่มันมันนิ่งค่ะทุกอย่างมันเหมือนแบบภาพสโลโมชั่นหนูคิดเลยว่าหนูจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ค่ะมันหนูนึกถึงทอดตามใช่ค่ะมันมันมาอัตโนมัติแล้วมันรู้สึกแบบว่านึกถึงพระพุทธแวบนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยค่ะว่าโอ้แต่ว่ามันเหมือนเขาเขายิงมาเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันแบบมันเหมือนภาพสโลโมชันเพาเราคิดได้ไวกว่านั้นนะคะ Mm hmm. แล้วเขาเลยบอกโอ้มันมันนึกถึงครูบาอาจารย์เลยค่ะว่ามันมีประโยชน์มากๆค่ะเราอาหนูก็อยู่ในเหตุการณ์อาหนูกรีดหนูก็ต้องแบบว่าต้องดูว่าทํายังไงไม่ให้อาแบบว่าต้องป ร, ประคองพวงมาลัยยังไงวางแผนว่าแบบทางไหนที่เราควรจะต้องหนีได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอถึงตอนที่เขามาล้อมยิงค่ะมีปืนเป็นสิบกระบอกมาล้อมยิงหนูหนูแค่รู้ว่าโอเคเราทําเต็มที่แล้ว ตายก็ตายอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันนิ่งมันนิ่งมากมากค่ะพระอาจารย์แค่มีแค่บางแวะเท่นั้นว่าเออมันจะเจ็บหรือเปล่า น, นะแต่อันไม่เป็นไรไม่ถึงพระพุทธเจ้าตอนอยู่ตรงบนโคลแล้วมันสงบมันมีความสุขค่ะพระอาจารย์อ่าดีอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแหละอืม <c oughs> แต่ว่าแบบไปไปเล่าให้ใครฟังไม่มีใครยินดีกับหนูเลยค่ะพระอาจารย์แบบหนูหนูแฮปปี้อยู่คนเดียวค่ะว่ามันแบบเขารู้สึกว่าบางเฉยค่ะเขารู้ส<ง>ึกว่าแบบทําไม อ่ะหนูก็ให้อภัพยพวกตำรวจคนนั้นค่ะเพราะว่าหนูคิดว่ากรรมเก่าหนูโค้งหนักมันเคยเคงเคยไปทํากับเขาแรงแล้วมันเป็นโอกาสที่หนูได้แบบหมดหนี้อะค่ะพระอาจารย์หนูรู้สึกทุกหลักมากกว่าเดิมอีกค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเราให้ใครฟังไม่มีใครยินดีกับหนูบอกว่าหนูโง่งแต่ว่าแบบมันตื้นตันอยู่ในใจค่ะพระอาจารย์ ม, มาจริงๆค่ะแบบแบบมันเป็นมัสพิดของหนูในวันนี้ในแบบมันพูดแล้วจะร้องไห้ค่ะมันแบบมีความสุขจริงๆ อ่าถูกต้องนะถูกต้องดีมากอ่าพวกนี้มันจะได้มีกำลังใจหน่อยอที่จริงได้แบบว่าคือแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นแบบหนูรู้สึกถึงอะไรนะคะพลังของการแบบค่อยค่ปฏิบัติทีละนิดค่ะเมื่อก่อนเขาเรียกเลยนะคะทีละเก้าหรือค่อยค่อยสะสมใหม่ไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์มเมื่อก่อนหนูใช้วิธีเหมือนแบบทําต้องทําให้เสร็จเลยแบบให้เห็นผลเลย แต่บางทีมันมันเหนื่อยเกินไปหรือว่าเรามันไม่ได้ยั่งยืนนะคะพระอาจารย์หนูมาได้ตอนที่ลองแบบไม่ไม่ทานมื้อเย็นแบบช่วงแบบไม่เกินสองแบบคือคุณแม่หนึ่งมื้อใช่ไหมคะหนูกลัวหนูจะทำไม่ได้เพราะที่ผ่านมาหนูเคยพยายามแบบไม่กินนู่นนี่คืออดอาหารก็อดไปเลยแต่ว่ามันหนูรู้สึกว่ามันสุดโตมันมันมันไประยะยาวไม่ค่อยได้หนูก็เลยลองทาวิธีนี้ดู มันค่อยคเห็นผลทีละนิดทีละนิดค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันทําได้ระยะยาวก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันบางทีเราไม่ต้องทุ่มกับอะไรทุกอย่างไปก็ได้ทําทีละนิดก็ดีค่ะพระอาจารย์แบบได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์ค่ะใช่เถูกต้องถูกต้องนะไม่ถึงเวลาให้ฟังก่อนเมื่ก่อนเก็บไว้ทํำไมไม่แบบว่าบางทีแบบพอเขาเล่าบอกแม่ให้ฟังว่าปุ้ยมันมหัศจรรย์มากตอนที่หนูหนีโจรแล้วมันหนุด แบบมันนิ่งค่ะมันนิ่งจริงๆอะคะ่ะพระอาจารย์อยากจะเล่าความรู้สึกนี้แต่พอคนอื่นเขาเศร้ากันไปหมดหรือว่าตอนที่หนูแบบว่าให้อภัยเขาได้หนูรู้สึกปลดล็อกแล้วมันมีความสุขมากะคะ่ะที่มีคนมายิงเราแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องมาเจอเขาต่อแน่ๆชาติหน้าเราไม่ติดหนี้อะไรกันแต่ไม่มีใครเห็นด้วยก็เบียดเศร้าๆนิดหน่อยเรื่องน้อยใจนิดนึงค่ะแต่มันมีความสุขจริงๆค่ะพระอาจารย์ค่ะเวลาไ ม, มีความสุขก็แล้วกันก็จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันเรื่องของเขาไห้ ไม่ต้องกังวลดีถ้ามีอะไรจะเล่าแล้วจะถามอีกไหมมีเรื่องจะถามค่ะพระอาจารย์หนูรู้สึกว่าตอนนี้กำลังอําแบบตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆเริ่มปฏิบัติทีละนิดทีละนิดค่ะบางทีอาจจะมีวันนั่งสมาธิบ้างค่ะแต่ว่ามันมันชอบหนูไม่ค่อยชินกับไอการที่มันวิวิเหมือนกระโดดร่มค่ะหนูชอบไปจับแล้วควบคุมมันแต่ว่า ทุกทุกครั้งที่มันแบบจะดิ่งนู้ไยมันดิ่งไปแต่อย่าไปสนใจมันายมันดิ่งไปนูก็อยู่กับพุทโธไปแล้อยู่กับลมไปนู้อยู่กับสติไปรู้เฉยๆไปช่วงนี้มันเป็นบ่อยค่ะมันเหมือนคนโดดล่มโดดโดดแต่ว่าไปมันก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไป ก็เลยไม่ค่อยผ่านจุดนี้เท่าไหร่ค่ะปกติหนูจะเป็นแบบค่อยๆสงบไปเรื่อยๆไงอาจก็กลับมหาพุทโธก็ได้เวลาเกิดอาการต่างๆกลับมาอยู่กพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจอาการต่างๆค่ะเดี๋ยวจะลองดูค่ะพราปกติจะดูที่ลมหายใจค่ะพระอาจารย์ออเริ่มกลับมาดูลมก็ได้แต่อย่าไปดูสิ่งที่ปรากฏขึ้นให้เราเห็นในขณะนั้น หวให้นันปรากฏขึ้นมามันจะวิวมันจะอะไรก็เรื่องของมันไปไม่ต้องไปสนใจเรามีหน้าที่รู้เฉยๆได้รู้ไปได้ค่ะเดี๋ยวจะลองลองให้ผ่านบาที่มอย่าไปดูที่อย่าไปตามรู้ในสิ่งที่ปรากฏขึ้นคิดลมให้ามบาที่ลมแล้วใจเราก็จะแน่ง เหมือนลึกๆเหมือนพยายามจะควบคุมให้เขาไม่ไม่วิวว่วะค่ะคงจะเป็นแบบนั้นค่ะพอเรามาอยู่ที่เราเราก็ปล่อยวางได้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาได้ค่ะอาจารย์แล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะตอนนี้หนูรู้สึกว่าบางทีอาจจะโดนกิเลสหลอกแต่ก็ยังรู้สึกอยากจะทำคือจริงๆหนูวางแผนจะไปทางธรรมแต่พอเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกว่ายังไม่รู้หนูจริงๆหนูก็คิดไปเองค่ะว่า รู้สึกอยากจะทําให้พ่อกับแม่ยอมรับที่จริงเขาก็ไม่เคยบอกนะคะอยากให้พ่อกับแม่ยอมรับว่าหนูประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก่อนหนูเคยคิดอยู่ว่าถ้าสมมุติกลับไปทางทำแล้วสําเร็จทัวว่าแม่พูดว่าเนี่ยไปทางโลกแล้วไม่สําเร็จไม่อยากได้ยินคํานั้นค่ะมันอยากจะสาเร็จก่อนถ้าแบบอยากตั้งเป้าว่าเก็บเงินได้เท่านี้แล้วให้แม่พ่อแม่ภูมิใจอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันจะเป็นกับดักเกินไปหรือเปล่าคะพระอาจารย์จุดไหนที่แบบ ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับความอยากของเราสิได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีใจสันโดษไปยินดีตามมีตามเกิดเพราะมันจาเป็นจะต้องไปตั้งเป้าแบบนั้นต้องเป้าทีา่เราควจะตั้งก็คือมรรคผลนิพพานจะดีกว่าเป้าทางโลกก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวตายไปก็จบ แต่เป้าทางธรรมนี่มันต่อเนื่องมันไปกับเราต่อไปได้ถึงแม้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เสร็จภพนิชานี้มันก็เอาไปทําต่อจากข้างหน้าแต่เป้าทางโลกเนี่เอาไปไม่ได้ไน่าจะเป็นมีเงินท่านนั้นท่านนี้เกิดตายไปก่อนก็แ ล, ล้วกรรมมาเคยใหม่ก็ไม่มีเงินติดมากําลราเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่แต่ถ้าเราเอาธรรมะไปได้แ ล, กล้กกรรมมาแล้วก็เอาธรรมะกรรมมากับเราได้ เรสติกลับมาสมาธิกลับมาได้หมายถึงทักษะนี้มันติดตัวข้าใช่<บ>ใชส่สติเราจะเริญเท่าไหร่มันก็จะติดไปกับใจของเราสมาธินั่งได้เท่าไหร่มันก็จะติดไปกับเราแล้วขอโทษนะคะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าหนูแบบปฏิบัติไปมีกําลังสติสมมุติว่ากําลังสติมันมากแล้วแล้วพอเราเกิดใหม่มันต้อง มันก็คือทักษะมันยังอยู่ที่เดิมนะคะเลเวลมันยังอยู่ที่เดิมก็จะก็จะอยู่ในที่เดิมแต่ จ, จะต้องปลูกมันขึ้นมามันนอนอยู่มันถ้าไม่มีเหตุการณ์บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรามีสติขนาดนี้ลงมานั่งนั่งสมาธิเดีวยวบางคนนั่งสมาธิห้านาทีก็สงบได้อย่างคุณแม่ชีกแก้วบวชเพื่งนั้านที่เคยได้ยิน องคูมันบอให้พุโทโธพุโทโธแกก็ลองนั่งห้านาทีพุทจิตมันก็ดิ่งเลยจาได้ค่ะเริ่มเดี๋ยวขอบพระคุณมากครับบ้าหมายทางโลกไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจหรอกควาหมายทางธรรมดีกว่าของแท้ของจริงของทางโลกมันเป็นของสมมุติเป็นของชั่วคราว ค่ะอาจารย์ okay, นะอโอเคอนะค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคไปดีคุณลาต่อคุณลามีคำถามไหมวันนี้กลับนมส ก, การค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามจากทาง Facebook เจ้ค่ะแมวที่แมวที่บ้านเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอาการวิกฤตตอนนี้คุณหมอแนะนำให้ตัดขาทิ้งแล้วก็มีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดค่ะ คุณแม่และดิฉันจะบาปไหมคะถ้ามีการตัดสินใจอะไรลงไปเกี่ยวกับการรักษาคะ่ะก็ถ้าเรามีเจตนาที่ดีก็ไม่บาปถ้าเราต้องการจะช่วยเหลือเขารักษาพยาบาลเขาแล้วเราก็อาศัยข้อมูลจากคุณหมอเราก็ทำดีที่สุดแล้วคือจะช่วยรักษาพยาบาลเขาให้ดีขึ้นหรือไม่ให้เร็วลงแต่ถ้ามันเกิดผิดพลาดไปเขาเสงการความตายเราก็ไม่บาป เพราะเราไม่มีเจตนาที่จะทำให้เขาตายเจ้าของคนททำอย่างไรเพื่อให้แมวจากไปโดยพ้นจากภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานคะก็ปล่อยเขาไปไ ป, ไปตามตามอาการของเขาไปคำถามต่อไปคนที่เป็นโรคซึมเศร้ากังวลกลัวควรใช้หลักธรรมะใดและพิจารณาอย่างไรที่จะช่วยให้อาการดีขึ้นครับ ที่จริงแล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่งแท้นแน่นอนทุกอย่างมันมอันเ ก, กิดก็เก่ดขึ้นไปได้อย่างฝรั่งก็ลองให้ร้องเพลงคเค s เซลาเซลา whatever will be will be อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วมันก็จะหายหายกังวลมันถ้ามันจะเกิดเราก็หยุดมันไม่ได้ทำใจอย่างเดียวทำใจปล่อยมันเกิดไป คำถามต่อไปการใส่บาตพระที่เป็นอริยสงฆ์กับการใส่บาตพระสงฆ์ที่ยังไม่เป็นอริยอันนี้สมผลบุญจะแตกต่างกันไหมครับผลบุญที่เกิดจากการให้ไม่ต่างกันนะให้หมาก็ได้ให้คนก็ได้พระอริยะก็ได้มันก็ไ ด, มได้มันก็ได้บุญเหมือนกันได้ความรู้สึกที่เราได้ทําความดีเหมือนกันแต่ผลตอบที่เราจะได้จากคนที่เราให้เนี่มันต่างกันให้หมาหมามันก็จะช่วยเหา่า เขบ้านให้เราให้กับผ้าธรรมดาที่ไม่เป็นผ้าอริยะสมก็ท่านก็จะสอนธรรมะระดับโลกียะให้กับเราแต่ถ้าทำบุญกับผ้าอริยะท่านก็จะสอนธรรมะในระดับอริยะให้กับเราคือระดับระดับปัญญาแต่ถ้าบรรดาที่ยังไม่ไม่ไม่บรรลุก็จะสอนในระดับสมาธิศู้สนรูร้ฐานไปคำถามสุดท้ายจากคุณสิริมา น้อมกราบนมัส ก, การเจ้าคะ่ะสักพักมานี้หนูคิดย้อนไปในอดีตเห็นว่าเวลาเราทำอะไรจะอินในเรื่องราวอารมณ์ผู้คนมีอัตราความเป็นตัวเราเก็บเรื่องราวต่างๆผู้คนรอบข้างไว้ในความเป็นเราแต่พอคิดหรือนึกถึงความตายทุกอย่างมันคลายใจไม่ไปเกาะเหมือนอารมณ์ประมาณว่า ถ้าทำงานก็แค่ทำตามหน้าที่ของงานหนูมีความคิดหรือคิดแบบนี้ถูกไหมคะแค่ทำตามหน้าที่ไม่มีอะไรในการเกาะอะไรในโลกนี้กรับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะถูกแล้วทำหน้าที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเอาไปวันๆถึงขนาดน้สมบัติได้มากได้น้อยก็ไปไม่ได้อยู่ดีถ้าอยากจะเอาของติดตัวไปก็ต้องมา ท, ทมางธรรมะ